ต่อให้ รู้ทำรู้ทำตามกันมาเพราะมันมีฐานอยู่ก่อนคือความเกิดจากที่อาจารย์เคยพูดหรื อ, อเปล่าครับอธิบาย้ชเจนหนไ้หมครับถึงบอกว่าถึงบรรุทำได้ไวขนาดนั้นก็ปกติเราก็ทากันานานเลยหนอครับเมไหครับแต่ครันี้เนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยทำไมถึงบรรลุทำได้ไวและก็เขาเรียกอะไร เป็นปริยาสาวกุฒเสียมากขนาดนั้นมันมีอะไรเป็นบาปเป็นผา ม, มาก่อนแลวไม่แบบงงไหมครับตอนตอนพงอย่างงงกต่มาไม่งงงั้นอาในสิ่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 ใน้อ <Thank> <c oughs> ในสัจจสีนะั้นในคราวที่ฟังเพียงแค่ครั้งหน่งพอพระองค์ทรงแสดงธรรมจากครั้งที่สองเนื้อหาเดิมสูตรเดิมเรื่องเดิม เ, มเมพราะว่าปัจจุบรรลุแต่มหาธรรมะขั้นสัจ chi ทไมไม่ไบรรลุคือปัญญามันมียิ่งมีหย่อนกว่ากันมันก็ต้องเป็นตามลำดับเป็นเครื่องหมายให้เราได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะฟังสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นได้รับฟังเหมือนกัน แต่ปัญญาเข้าไปรู้มันแตกต่างกันในแต่ละบุคคลควานความเข้าใจในแต่ละบุคคลนั้นนะเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีความเข้าใจไม่ตรงกันอยู่แล้วหรือว่ามีความเข้าใจไม่เท่ากันอยู่แล้วเป็นเรื่องธกรมดาแต่ให้เข้าใจตรงกันเท่ากันเหมือนกันมันคงจะเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เราก็คงยังมีความขี้เห็นเป็นเดียวกันเป็นหมดเพียงแต่ว่าหลักหลักที่เป็นสัจจานที่มิทรงตัดสอนไว้นํามาซึ่ง ความศรัท ธ, ธาและความเมื่อบใสแก่ว่าประทิยาปานามาอัสชิซึ่งทำให้ยอมต่อความจริงที่พระศาสดา ส, สอนพระองค์ทรงเลือกทำขั้นจับประวลกรสูตรสอนในครั้งแรกเนื่องเพราะว่าพองค์ทรงเล็งดูว่าการที่จะตั้งศาสนาลงในโลกเนี่ยหากสิลงที่รง ส, สอนไปไม่เป็นสัจจะ ก็ไม่สามารถที่จะหักล้างที่ดีของเราสมรัูมิเขาครั้งนั้นได้สินโุภูมิทรงธรรมจะต้อเป็นสัจจธรรมเานั้นในเรื่องจริงเท่านั้นและเรื่องจริงนั้นไม่มีใครสามารถคัดค้านได้เดเวนวาเทวรามก็คัดค้านไม่ได้มาเลนาวามารก็คัดค้านไม่ได้ปรมุนาวาแม้แต่ภูมิเอก็คัดค้านไม่ได้เกณฑ์จีวาลรืใครใครๆก็ตามในโลวนี้ก็ไม่สามารถคัดค้านได้อะไรล่ะที่จะแสดงออกไปแล้วแล้วเรามหาชนทหลายเทวดามาร์กเนี่ยคัดค้านไม่ได้มีอะไร ก็คือผู้ขัดสัจจ์การที่วงทรงแสดงผู้ขัดสัจจ์ไม่มีใครคัดค้านเลยเพราะมันคัดค้านไม่ได้คัดค้านก็ไม่เป็นอันคัค้านเพราะว่ามันเป็นความจริงนั้นคนที่เกิดขึ้นมาในโลกมีใครบ้างที่กล้าพูดได้เต็มปากว่าตนเองไม่เคยประสบกับความทุกข์เลยที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนอินเดียเองเราก็เห็นความทุกข์ที่แสดงออกต่อบุคคล เ ร, เราก็เห็นกันอยู่ว่าสภาพควาเป็นอยู่ที่เป็นทุกข์เป็นอย่างไรและเทียบกับตัวเราเองด้วยที่เราประสบความทุกข์มาทีนี้ก็บอกเทวราจะมีความทุกข์ได้อย่างไรเขาอยู่บนสวรรค์ ม, มีความสุขอยู่นั่นคือทิฏฐิหรือว่ า, าทัศนคติเรามองเขาแต่เราไม่ได้รู้จักความเป็นจริงที่เขาเป็นว่าเขาทุกข์กันอย่างไรเทวราก็มีความทุกข์เหมือนกันมีเรื่องเล่าจากสวรรค์ที่มาเาโมกขาระนะในนำมาบอกต่อมหาชนทั้งหลายว่าเทวราชตนนึง ก่อนที่จะจะติลงมาส่งงลสู่จากสวรรค์คือจะหมดบุญก็ได้รู้ด้วยอย่างของตนว่าตัวเองจะต้องไปใช้ที่ป่าในอบายภูเขาเกิดความทุกข์ร้อนใจอยู่ว่าเราก็อยู่บนสวรรค์สวยสุขเป็นที่มาแล้วจะไปอยู่ในสถานที่ตกำต่ำอย่างนนะั้นเราก็คงจะไปอยู่ไม่ได้ว่าได้รับความทุกข์ทรมารในขณะที่ตัเองบุญจะหมด ก็เกิดความทุกข์เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์เทวดาเขก็ไม่ไม่ไม่สําเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาทุกประการเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะสำเร็จทุกอย่างเขาจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่น่ารักน่าพอใจเหมือนกันการที่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักน่าน่าพอใจมันก็เป็นทุกข์แม้แต่อินเองก็ตามที่สู้รบกับเหล่าอสูรที่อยูบนสวรรค์ก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าบนสวรรค์ก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์สุ พอถึงฤดูการของดอกปริชัน ก, กาปาร์คเนี่ยเราอาูรยรถลึกได้ด น, นี่ว่าโอ้ภายินนี้อยากเราเราจะต้องไปแก้แค้นหรือก็ยกทัพมาสู้รบกันประมาณ ก, ก็ก็หาความสมบสูบสณงไม่ได้เมื่อหาความสมบูสูงไม่ได้ก็เป็นเรื่องของความทุกข์ของเราเทพที่เขาจะต้องปกครองดูแลกันอีก ย, ยิ่งพย า, ยา ม, มารแล้วเนี่ยยิ่งชั้นที่6กแเนี่ยยิงเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีแต่ความทุกข์มาก พยามานถึงแม้จะเป็นผู้มีบุญมากก็ตามแต่ก็ทุกข์กใจเหมือนกันว่าพระศาสดาจะพาคนบุตคนออกไปจากวัตตาสงสารหมดจากโลกนี้โลกนี้จะว่างเปล่าจะเหลือแต่เราคนเดียวไม่ไดนการเราจะต้องไปขันความ <c oughs> ่งเงี้ยบัวไม่มีพักพว <c oughs> กร่างกายเป็นมารไปตัวเองทาบุนศูนทานเพื่อยู่ในวัตตาแต่พระรยาสอนคนออกจากวัดตา ก็เป็นเองเนะท่านน้องนะทีนี้เราพรมทั้งหลายก็เหมือนกันแม้เขาจะไม่รู้สึกว่าเขามีความทุกข์แต่พรมเมื่อยังไม่สามารถพ้นออกไปจากปัตตาก็ายังตกอยู่ภายใต้วงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการที่ยังตกอยู่ในวงจรแห่งการเวียนว่ายใตายเกิดก็คื อ, อยังต้องทุกข์อยู่นั่นเองคือต้องกลับมาเป็นผู้ทุกข์อยู่อีกเหมือนกัน ใน้รัตราใดที่ยังมีการวนเวียนในวัฏฏะ31มภพ ส, สามภูมิอยู่สัจจะคือความจริงอันเป็นภูกนี้จะต้องปรากฏขึ้นกับทุกดวงจิตดวงใจที่ยังมีการวนเวียนวัฏาะเกิดฉะนั้นสัจจะข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นเทวรามนุษยฑพรหมมาหรือใครๆก็ตามก็ไม่สามารถที่จะคัดค้างสัจจะข้อ น, นี้ได้ด้วยสัจจะข้อนี้นี่เอ ง, เองจึงหกถถักล้างทิฏฐิเราตามที่มี เวลานั้นช่วงนั้นแล้วเขากลับหันกลับมาสนใจหลักคาสอนของพระสมณะโอโดมซึ่งไม่มีใครเคยสอนเรื่องราวเหล่านี้ว่าทุกเป็นสัจจะสุขที่เป็นสัจจะในชีวิตของมนุษย์ไม่มีเมื่อสุขที่เป็นสัจจะไม่มีพระเจ้าจึงไม่ได้ให้มนุษย์ทั้ลไปสแสวงหาสุขแต่พระองค์ทรงให้มนุษย์ไม่รู้จักความทุกข์เมื่อทรงสอนชี้ให้เราได้เห็นความทุกข์ แล้วก็สอนเหตุว่ามันมีเหตุมาอย่างนี้ความทุกข์จึงมีมาเมื่อเหตุให้มีความทุกข์ก็คงจะไม่มีมาเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาทุกข์เกิดขึ้นอย่ามองไปหาความสุขของชีวิตเพราะมันไม่มีหรอกมันมีได้แค่ชั่วคราวหมายถึงว่าสุขเนี่ยมันจะมีได้ก็ื่อเมื่อเราสร้างขึ้นมานั้นมันไม่จะมีแล้วก็ไปเสวยความสุขที่สร้างขึ้นมานั้แต่ความทุกข์เนี่ยเราได้สร้างไม่หรอกไม่ได้สร้างมันมีมาเองของมันมันมีตามเหตุของมันน่ะ คือวิถีชีวิตเนี่ยโดยสัจจคัมภีรนตัวขันห้าเนี่ยไม่ต้องบอกให้มันทุกข์มันก็มีทุกข์อยู่ในตัวขันมันไม่ต้องสร้างมันขึ้นมามันก็มีอยู่ในตัวของมันมันมีอยู่แล้วและมันมีโดยสัจจเป็นตัวขันมันนี่แหละโดยความเป็นสัจจข้อนี้นี่เองพระองค์กิลขยับสอนท่าเราได้เข้าใจว่าหากเราอยากจะมีความทุกในชีวิตก็ยุติการเกิดให้ได้ไม่รู้ติการเกิดได้ทุกข์ทั้งปวงก็ดับไปนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาปฏิบัติ การอในเวลานี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวาที่พระอัญญาโพธญญาได้เข้าใจเข้าใจธรรมชาติว่าสิ่งสิ่หนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรราสิ่นั้นจ่อมดับไปเป็นมารมดาด้วยบทธับที่ว่ายางกินจิสมุป้อย่างทำมัสับปันตามนิโรธธรรมมันติเมื่อสิ่งใดเกิดสินั้นจ่อมดับนั่นหมายถึงว่าหากเราเกิดอีกเราก็ต้องดับอีกเกิดอีกอยู่เรื่อยแล้วก็ดับอยู่เรื่อยๆ เกิดดูดวยก็ต้องดับไูวยเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องดับการเกิดการดับการเกิดการดับของชีวิตอย่างนี้เป็นการแสดงออกถึงความทุกข์เพราะภาวะแห่งการเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเนี่ยมันมันคือวงจรที่วนเวียนอยู่กับภาวะแห่งสังขารธรรมคือกายปัจจิตเพราะฉะนั้นสังขารธรรมคือการปัจจิตนี้เนี่ยจึงเป็นตัวก่อความทุกข์ จริงๆจะเรียกว่าปอกก็ไม่ได้เนื่องด้วยว่ากฎธรรมชาติที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาว่าสสารที่เกิดแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปการที่สสารเกิดขึ้นแล้วดับไปสสิารภายนอกแม้จะเกิดดับก็ไม่ได้แสดงออกเป็ความทุ้สึ ก, กแต่ภาวะสะสารคือตัวมนุษย์เราเนี่ยคือทุกั้งกายทั้งจิต รูปรกมามเวลามันเกิดบรนดับเนี่ยมันแสดงออกทุกปามคุมเพราะอะไรด้วยความที่สภาพกายกับกจิตมันเกิดบรนดับตามกฎทางธรรมชาติแล้วมีบุคคลเข้ามีความเห็นผิดเข้ามายึดถือเอาสภาพที่เกิดระดับนี้ว่าเป็นตัวตน บุคคลที่ไม่ยึดถือเอาสภาพที่เกิดระดับทางกายทางจิตนี้ว่าเป็นตัวตนของตนจึงถูกสภาพแห่งการเกิดและการดับนั้นบีบคั้นให้ได้รับความทุกข์แล้วถามว่าใครเป็นผู้เข้ามายึดเอามาถือเอาในกายกาะิว่าเป็นตนก็มีชาติถิเป็นผู้มายึดถือเอาแล้วมีมีชาติกิมันเป็นใครอ่ะทำไมถึงมายึดถือเอามีชาติฐิมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน เราก็ไม่ใช่ไข่นั่นสิทเราก็เข้าใจแบบว่าก่อนที่จะมีตัวมนุษย์เนี่ยเรื่อง ก, ก่อนที่จะมีคนเนี่ยพวกตากถึงพาพัสรกิตคือกิจที่มีอยู่โดยโดยปกติพวกมันในห่วงจากปรวาลที่เบิร์นบากงบางปรับมีเพียงแค่เจตสิกที่ปูงแต่งเจตสิกคือตัวนามธรรมที่ปรุงแต่งให้ก่อเกิดให้มีจิตพวกศาสนาพูถึงเลือกปัจจุบันปัจจิสุบาทว่า ธรรมชาติทุกอย่างอาศัยเกิดมันไม่มีอยู่โดยตัวของมันอะไรก็ตามที่ตั้งอยู่ตัวของมันโดดโดดพระุทธเจ้าไม่ตั้ว่าสิ่งเหล่า น, นั้นมีอยู่ได้ด้วยตัวของมันมันจะต้องอิงอาศัยัเกิดแม้แต่จิตเองก็ตามก็ต้องอาศัยเจตสิกเป็นตัวปรุงมันจึงมีอยู่ถ้าไม่มีเจตสิกปรุงแต่งตกแต่งขึ้นตัวมันก็ไม่มีรูปเหมือนกันถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นตัวของรูปก็ไม่มี เพราะนั้นรูปมีอยู่ก็มีอยู่โดยการประกอบกันขึ้นนามมีอยู่ก็มีอยู่โดยการประกอบกันขึ้นจิตเดิมแท้ในทางพุทธศาสนาจึงไม่ได้มีจริงคนที่มีความเข้าใจว่าจิตมีอยู่จริงโดยตัวของมันแบบโดดๆแบบเป็นอมตะไม่ตายอนะไรเป็นทัศนที่ิดีทีนี้โดยความที่จิตมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันยังไม่ปลาบฏ ความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนมีเพียงแค่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบให้เกิดเป็นดวงเป็นรัศมีแผ่สร้างรอปพัสสละผู้เรียกใช้ว่าประพัสอ์ประพัสารกิเตงคือมีรัศมีภายในตัวเองปรารถนาจะไปที่ใดก็ไปได้ในแต่ละที่หายป้องแผ่ไปที่หนึ่ไปปลาหุ่นที่หนึ่งมีปีติเป็นัาษารคือเวทนาที่ประกอบไปด้วยปีติเนี่ยหล่อเลียงจิตจิตเราเนี่ยจะต้องอาศัยปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ถ้ามีปีติหล่อเลี้ยง จ, จ, จิตจะดีจิตจะสบายนั้นเวลาทำอะไรแล้วเกิดปีติเนี่ยจิตจะรู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตเนี่ยจะกินปีติเป็นทาาักษะคือมีมีปีติเป็นอาหารในช่วงเวลานะั้นจังหวะที่จิตของเราเนี่ยถูกซึ่งถูกปรุงแต่งด้วยเจตสิกตลอดเวลาคําว่าเจตสิกมาจางไหนเจตสิกคือธรรมาชาติที่มันมีอยู่แล้วในในด้านนำำามธรรมถาว่าใครเป็นผู้สร้างมันไม่มีใครเป็นผู้สร้างคือมันมีอยู่โดย ธรรชาติโดยปกติถ้าจะพูดถึงว่าไอ้ตัวที่เขาว่ า, าลงยึดจับความเกิดความดับด้วยวิชาที่ธีเนี่ยจะบอกว่าเป็นเจียรติศีลบ้านะเราเจียิศหลายเนี่ยก็ในเมื่อเจียิศีลไม่มีตัวไม่มีต้นทําไมมันถึงเข้ามายึดจับสภาพแห่งกายกับจิตที่เกิดที่ดับแล้วตัวของมันก็เกิดประคุปถ้าจะพูดถึงแง่มงของ สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกดผองไตรักไหนเรียว่าสภาวะสิ่งที่เป็นสภาวะในกฎธรรมชาติคือเกิดขึ้นโดยความแปรปรวนแล้วก็ตั้งอยู่โดยความให้คดามเผาบอแล้วก็สลายตัวโดยความที่ไม่สามารถขบมตัวของมันเองลักษณะาาอย่างนี้แม้แต่ในตัวเจตสิเองก็ปราเกิดอยู่ในตัวของมันด้วยการที่มันจะต้อง เกิดขึ้นแปรปวนแล้วก็สลายตัวอย่างนี้มันจะต้องปรุงแต่งตัวมันไว้โดยตลอดเพื่อให้มันมีอยู่เพราะถ้ามันไม่ปรุงแต่งตัวมันไว้ก็จะดสลายไปเลยแบบไม่มีการเกิดอีกแกนตรสิทธิ์จึงมีหน้าที่เดียวคือปรุงแต่งตัวเองตกแต่งตัวเองให้คงอยู่เวทนาก็ต้องหาสิ่งต่างๆมาสวยถ้าไม่มีสิ่งมาเสวยก็ปรุงแต่งเอาขึ้นมาสวยเองเรียว่าเวทนาจึงมีหน้าที่ในการสวยเอาลง ธรรมชาติในเสวย อ, อารมณ์ธรรมชาตินั้นชื่อว่าเวทนาพระองค์จึงบ อ, บอกว่าเมื่อเวทนาเกิดขึ้นจึงไม่มีตัวตนของใครผู้ใดไปเป็นเวทนาแต่เวทนานั้นแหลกเสวยตัวของเวทนาเองทีนี้ตอนแรกมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่คือเวทนาเสวยตัวของมันเองยังไม่มีสัตว์ปู่คนตัวตนหรือว่ามีวิัาที่เข้าไปยึดจับในสภาพแห่งความเป็นกาางิตรซื้อเพื่อมาจกากลูกปรากวดขึ้น คือกระบวนการของดินน้ำปนลงในห้วงแต่กวาลอันนี้ตามอาคาระสูตรที่เกล่าวถึงว่าเกิดปรากฏการณ์ค้ค า, ายขึ้นน้ําบนหมุนกันอยูนั้นยืดยาวนานนานมากๆจนไม่สามารถนําการระยะเวลาได้ว่ายืดยาวนานเท่าไหร่รู้แต่ว่ายืดยาวนานคือยืดยาวไปอีกแล้วนานอีกเนี่ยมันพูดยากการการพระพุทเจ้ายังไม่สามารถนับเวลาได้ว่าเท่าไหร่พูดได้แค่นี้ว่ามันยืดยาวนา น, าน หมุนเยูย่นนะั้นอ่ะหมุนคล้ายคลืนน้ำ บ, บนคือสภาพของดินน้ํำใบลมหมุนมารวมตัวกันจากากระจายนี่ยออกช่วงที่กระจายกัออกไปยืดยาวนานกี่ตามขั้สู่นนะยอไรอย่อางนั้นท้า้ระยะเวลาในการรวมตัวกันแล้วกระจายกันออกก็เหลือแต่น้ำํำจากการนี้มีน้ําเต็มไปหมดจิตที่มีอยู่โดยโดยห้วงอวกาศเนะี่ยที่ถูกปรุงใจ่งโดยเดสิเนี่ยไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาก่อน ในช่วงเวลาที่ยืยนยาวนั้นไม่เคยเห็นวามือบ้างกับการอยู่แต่ความบ้างเปลา่ปล า, ปล า, าตลอดพอมามาเห็นกับสภาพภาวะ ก, การความกดการของลูกมันรวมตัวกันเกิดมาเป็นน้ำแล้วเกิดเป็นกอ้อนแม่เกิดมาเป็นน้าที่เรือนดินบ้างแล้วเนยที่ในภาษาที่ใช้กันว่าเมือนดินซึ่งอตอตแรกผไม่รู้ว่ามันคืออะไรมวลดินแต่ในนั้นบอกว่ามวลดินมีลักษณะคล้ายเนยใสมีกลิ่นหอมตลอดอบอวลไปทั่วทั้งห่องแจกว่า เจตสิกเนี่ยมันไม่มันไม่รู้จักไอ้เงดวบีนี่คืออะไรกินซึ่งตลบอกวนไปทั่วทั้งแต่ภาบาลเนี่ยไปสัมผัสกับเจตสิกซึ่งเป็นตั ว, เ, ตวเวทนาซึ่งเป็นตัวสวยอารมณ์กินอารมณ์อยู่แล้วตัวเนี้ยพอได้กินปั๊บมันก็รับรู้เอ๊กิ่นนี้หอมพอกินนี้หอมปุ๊บเจตสิกตัวสังขารขันก็เลยคิดขึ้นมาว่าคงจะเป็นการดีหากเราสามารถ สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้สัมผัสกับเอ่งมวลดินนี้ได้พอคิดเท่านั้นเนี่ยก็เกิดมีนามอากายขึ้นมาทันทีเลยมีรูปร่างไคมารุตเราเนี่ยใครเทวรัตน์พวกเราไม่เคยเห็นเทวราที่ต้องยกมารุตขึ้นมาพูดหรือใครเคยเห็นเทวรัตเห็นอยู่ข้างกระแพงว้านเนี่ยพอจะมีหรือไม่ก็มีนามอากายขึ้นมาแล้วมีไอธตนะออกมาลับภายใน ร, รับสีที่จะเข้าไปสัมผัสในเวลานั้นอนะเจนไอไออาคัรตร์จิตเนียซึ่งมีนา ม, มากายแล้วก็เลยมาสัมผัสกับม้นดินเพียงแค่แตะเท่า น, นั้นเองลดแห่งดินมวลดินมันก็ซึมซาบสร้างเข้าไปทั่วทั้งนา ม, มากานะก็รู้สึกดีเ อ, อ่ออิ่มแล้วก็เาเรียกว่าเกิดความอาร็ถอร่อยอันนี้คือไม่ได้สัมผัส ด, ดีๆนันะคือเขาสัมผัส ด, ด้วยกายเนทะ่านั้น รู้สึกว่ า, ารถโอยชายแห่งรถมัสซึมซ่างเข้าไปภายในตามอากาศนี้แล้วก็ติดใจกับรถแห่งวัตินพอติดใจในรถแห่งวัตถินนี้ก็ดวงจิตอื่นเห็นดวงจิตนี้เกิดอย่างนี้ขึ้นก็อยากจะทําบ้างก็พากันลงมาซ้ำแข็งกับวัตถินในอคติสูตรบ้าอย่างนั้นทีนี้พอมี พอเข้ามาสัมผัสกับมวลดินแล้วมวลดินที่ซึมซ้ำซ้ำลงไปในนามอา ก, กายเริ่มเริ่มเกิดภาวะแห่งความกล้าแข็งแห่งร่างกายขึ้นเริ่มเริ่มเริ่มผิวเริ่มมีผิวเริ ม, มีอยากหยาบยาบขึ้นมาลมักษณะนีภายในตัวเองก็ของใสแต่ก็ยังสามารถที่จะองงอกเหนือเดินอากาศล่องลอไปมาในอว ก, กาศได้ก็คือเลยคิดว่าเเมื่อมีร่างกายแล้วเราควรที่จะมีที่อยู่อาศัยคิดอย่างนั้นซ้ำๆค่ะพอมีร่างกายแล้วก็ควรจะมีที่อยู่อาศัยพอคิดขึ้นมาปั๊บวิมานก็ปรากฏรับันที ด้วยอนุภาคของจิตที่มีมีความพัสราระความเป็นพภาสระนั้นคือเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งที่ว่าตื่นึกเรื่องอะไรก็จะปรากฏอำนวยผลให้เป็นเรื่องราว อ, อ น, น, นันทีนี้ด้วยความที่อาพัพสาราได้เข้ามีเข้ามาสู่ปิมาณแล้วมีที่อาศัยแล้วก็เลยผู้เจ้าตระเวนเจ้าหว่านีเรียก ว, ว่าเป็นอาพัพสาร า, ภาโภ พอมีพิมานมีมีกายเปลี่ยนจากคำเรียกที่ว่าประพัสละจิตมาเป็นอาพัสละกเนี่ยแต่แท้ที่จริงแล้วตัวจิมันคือประพัสละที่ถ้าเราจะตัดเรื่องของนา ม, มากายออกไปเจนตสิกก็ประกอบให้มีรูปร่างอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็มีพิมานเป็นที่อยู่อาศัย พอลองไปกินวัตถินมากเข้าก็เห็นว่ากวางวัตถินเนี้ยจะหมดไปก็เลยพยายามก็เรียกว่าในในพระสูตรดังกล่าวแล้วว่าคมเหล่านั้นมีความโลภในวัตถินนี้กลัวมันจะหมดก็เลยพยายามเอามือปั้นเป็นคําำคำปั้นแปปั้นเป็นคำคำแล้วเอาใส่ปากกินปั้นเป็นคําำแล้วใส่ปากกินปั้นเป็นคําำแล้วใส่ปากกิน ผิวพันธุ์ก็เริ่มหน้าแข็งขึ้นเรื่อยๆรสนิฉพาะตัวก็เริ่มหมดหายไปแต่ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่ามีอย่างหมอมเลือดเลือดากาศรรไปไหนมาไหนได้อยู่เนื่องด้วยความโลภของพรหมเหล่านี้เป็นเหตุ น, นั่นเองมวลดินจึงหายไปกลายเป็นแผ่นดินนาสองแสนสี่หมื่ น, นยูนโ์กล่าวไว้าายอย่างนั้นนะแผ่นดินเนี่ยก็คืกลายเป็นก้อโลห์ของเราถ้าหลักวิทยาศาสตร์ค้อขัดขัดแย้งกันอย่างหนักเลยถ้าพูดในง่ายนี้ทีนี้ พอเกิดแผ่นดินหนาแล้วป um, ั๊บพวกคนทั้งหลายก็เลยคิดแล้ว่าเอ้ามวดินหายไปแล้วเราจะกินอะไรเจ้าว่ที่คิดอยู่นั้นว่าแล้วเราจะมีอะไรเป็นอะไรเป็นอาหารการกินล่ะแต่ก่อนที่ไม่ได้ลำบากเนื่องการกินเลยนะมีมีปรุงแต่งอยู่แล้วนั่นคือถ้าจะพูดถึงวิชีตความหลงผิดมันหลงผิดในรูปก่อนคือปรากฏการในโลกที่ไม่เคยเห็นเวลาเราไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนเนี่ยอาหารอะไรหรือสิ่งต่างๆที่เราไม่ค่อยเคยเห็นเราจะค่อย จะเอาเงี้ยแตะมือก่อนใช่ไหม mm hmm. มันคืออะไรอะไรจะแตะดูดประมาณนั้นอย่างน้อยสัมผัสก็จะบอกเราได้ว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงประมาณนี้ก็เริ่มต้นจากตัเนี้ยมีฉาทิฏฐิเริ่มต้นจากตัวนี้ย เ, เข้ามาหลงในมณีนิพ น, นก่อนในในอคติสูตรกายอย่างนั้นพอคิดว่าเราจะมีอาหารใหม่เกิดขึ้นไหมมีกั บ, บีอิกขึ้นคล้ายเห็นมีรูปกรรมใครเห็น ผมก็เอากร บ, บิ้ดินมากินก็บอกมีรสชาติเหมือนววลดินทุปาการอะไรอะไร่าเียแล้วผมก็พยายามกินมวลดินนี้แล้วก็แย่งกันกินด้วยความโลภของคนผมตัเนี้ยเป็นเหตุเขากว่ากินจนรู้สึกว่าผิวพันเริ่มหนาขึ้นมากีกแต่ก็ยังมีรัศมียังไม่ถึงกับที่เรียกว่า มีผิวพันณแบบเนี้ยแบบบรุษย์เรายังไม่ถึงต่าหยาขนาดนี้คื อ, อยังผอมใสยังมีรศมีแล้วก็ค่อยๆลดลงด้วยความที่พรมเหล่านี้เห็นรัศมีของกันและกันแล้วก็เกิดการเพ่งกันว่าอันนี้มีรัศมีน้อยกว่าเราเรามีรัศมีงามกว่าอย่างเงี้ยคือการเกิดการเพ่งกันยุคนี้คือเหยียดสีผิวกันล้ยังไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่พรมชั้นพรมแล้วนะ เริ่มิ่ ม, มีที่ถี่แบ่งแยกแล้วนะโฟมตัวนี้มีผิวพันธุ์เร็วโฟมตัวนี้มีผิวพันธุ์ผ่องใสกว่าปานีกว่ า, า, วา<ม>เราเนี่ยเป็นโฟมที่ดีกว่าโฟมตัวอื่นคิดเริ่มคิดไปยังไงด้วยความที่พฟมเราเนี่ยเกิดการเพ่งกันในเรื่องของของความผ่องใสของร่างกายเนี่ยกระบิบดินก็หายไปพอกระบิบดินหายไปเอา้าวเริ่มจะกินอะไรด้ยเนี่ยกเ็เลเกิดเครือดินขึ้นมาคลายพู้มะพร้าว ในดีนคล้ายรูปองผ้าเกิเครื อ, รอดินผุดเกิดขึ้นทั้งหมดก็เลยเอาเครือดินที่มากินพอกินเครือดินไปมากเข้ามาเขา้าผิวพันธุ์้าเริ่มกร้าแข็งขึ้นอีกเรื่อยเรยเริ่มยากขึ้นมาก็ด้วยความที่พบเหลเนี้ยกลัวที่จะไม่มีอาหารการกินก็เลยเก็บพวกเครือดินเนี่ยไว้เฉพาะตัวเองไม่แบ่งให้คนอื่น ก็บอกความโลภที่เองเลยทําให้เครือดินเนี่ยหายไปไม่เกิดขึ้นมาอีกพวกพรมก็ตกใจอีกแล้วจะทำไงก็เราจะกินอะไรในนี้ในใบในในอาตัการฐานเขาบกวก็มีข้าสาลีเกิดขึ้นอาจจะ็ทิพเกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นเลยกองรวมแล้วก็สุกเองอ่าเขาก็รูดออกมาแล้วก็ใส่ผ่านกินลูบใส่มาผาใส่ผ่านกินกลายเป็นว่าพอมีข้าสาลีขึ้นมาปั๊บเนี่ยพวกพรมเหล่านั้น ก็เริ่มแบ่งเขตคันนา น, นั่นแหละว่าเขตนี้เป็นของเราเขตนั้นเป็นของพวกเจ้าใครอยู่ในเขตไหนก็เขาเรียกว่าจัด ก, การกันเอาเองข้าวสาลีก็มาเกิดขึ้นนะพรมตอนนี้ก็เก็บกินกันมีพมขี้เกียจตนหนึ่งไม่ยอมออกไปเก็บอาหารกินเอาอาหารที่คนอื่นเก็บไปแล้วมากินในขบวยเข้ามาเขาลายง่ า, างนะจากนั้นก็เลยเขาบอกตั้งแต่บริโภคข้าวสาลีมา โคมครลวนี้ไม่สามารถห่อเหอนดรรกาดไปไหนมาไหนมาไหนเลยไม่สามารถไปสู่ห่ออบอากาศเลือตัวมันหนักแรยอ่อไม่ได้นะเป็นข่าวสารีก็เป็นอย่างี้เป็นคนข่าวสารีก็ไม่ได้จากนั้นก็ยั่ไงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์นะครับ้าเรียกว่าปฏิาร์ผู้เชี่ยวาบอกว่ามนุษย์เริ่มแรกนี่คือนี่คือพวกโคมตัวเนี้ยเคยได้ยินคขว่าโคมสร้างโลกไห ไอโภนี่แหละผมแน่สร้โรคตัวเนี้ยก็เลยสิ้นสุดความเป็นโพงตอนที่มากินข้าวสาลีเนี่ยคือการเป็นมุษย์ปติอ่ะคือผุดเกิดขึ้นเป็นม น, นุษ ย, ย, ย, ย, ย, ย์ผุดเกิดขึ้นคือผุดว่ามีเหตุอางเนี้ยแหละไม่ใช่ผุดเพิบงทันทีผุดอางเนี้ยอย่างอย่างที่ว่าค่อยๆมาเรื่อยๆผุดเกิดขึ้นเพราะบริโภคข้าวสาลีแล้วก็แบ่งเขตขนากันเขาก็เลย เห็นว่าไอ้คนขี้เกียจเนี่ยไปแย่งข้าวสารีก็มากินเนี่ยไม่ได้แล้วต้องหาคนตัดสินเพื่อองโทษเราจยกใครขึ้นมาเป็นผู้ตัดสินก็เลยหาพรมตัวไหนก็ตามที่มีอมนุษย์ตัไหนก็ตามที่มีผิวพรรณผ่องใสกว่าคนอื่นเอาคนนั้นแหละมาเ ป, ป็นผู้ตัดสินก็เลยได้ยกคนนั้นว่าท่านไม่ต้องหาอาหารนะท่านคอยตัดสินว่าใครเป็นคนมาขโมยข้าวเนี่ย แล้วคอยตัดสินมาเนี่ยคนจะลงโทษอย่างไรมนุษย์คนเนี้ยที่ไปตัดสินก็ตัดสินโทษต่างๆด้วยความชอบธรรมมาการเป็นหวยเขาเนี่พิษจะต้องลงโทษอย่างนั้นทีนี้ก็ว่าได้ไปการตัดสินของมนุษย์คนเนี้ยเป็นการตัดสินที่ถูกใจของพวกมนุษย์เริ่มแรกในเวลานั้นถูกใจมากโอ้ท่าตัดสินดีตัดสินชอบธรรมลงโทษได้ถูกนะด้วยความที่ คนคนนี้ตัดสินโดยชอบธรรมและถูกใจของคนในเวลาน่ะคือไม่ได้นาว่าราชาแปลว่าผู้ตัดสินคดีโดยความชอบธรรมหรือว่า ถ, ถูกตามที่คนเขาเขายินดีประมาณนี้ไม่รัว่าราชาจากความเป็นพระราชาก็เริ่มสร้างความยิ่งใหญ่ในความเป็นพระราชาคือเริ่มมีบริวารมากเริ่มมีอำนาจมากก็เลยได้เป็นกษัตริย์ ขามาราชากับกษตตัตริย์แตกต่างกันกษัตริย์คือแบบผู้เป็นใหญ่แห่งแคว้นแห่งเขตปกครอตงตามสิทตามแคว้นอะไรประเภทนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องการยึดจับสิ่งที่มันเกิดมันดับแล้วก่อเป็นความทุกข์ถ้าเรามองภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจากการที่เขายังไม่ประสบความทุกข์เขามีปีดิเป็นภาคสาแล้วก็จะต้องมายึดติด ก, กับ วิถีชีวิตที่เขาเป็นที่เขาไม่เคยคุ้นเคยเลยไม่เคยใช้มาก่อนดยกิจดวงนั้พอมาสภาพเกิดสภา พ, พออกเป็นมนุษย์ขึ้นมามันก็เลยเกิดมีปานาติบาอธินาทานการเมษมิชานังมุ ษ, มษสาวาจแล้วก็สุรามีระยะพระเั้าประมาณฐานขึ้นมาในในในช่วงของความเป็นมนุษย์มนุษย์เริ่มแรกจินเป็นมนุษย์ที่เราปฏิกับมนุษย์สืบเชื้อสายมา ก็คือมนุษย์ที่เกิดจากขันเป็นมนุษที่เกิดจากเชื้อสายของของตัวมนุษย์เดิมแน่ก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมนุษย์เราเพราะฉะนั้นไอตัววิชาที่ผิดเนี่ยกามายึดจับเนี่ยมันก็เกิดจากพวกนามอาคารหลากหลายที่าปาา ร, งรุงแต่งกิจกรรมปรุงแต่งกิจอยู่ตะลอดเวลาแล้วพอมายึดอยู่ในรูกด้วยความวิชาที่ผิดแล้วเขาไม่รู้ว่ า, าการยึดอยู่ในรูกมันจะก่อให้เกิดความทุกเพราะรูป มีความแปรปวนนามแม้จะมีความแปรปวนก็ตามเกิดระดับก็ตามแต่ก็ยังมีเวทนาเป็นเป็นที่ทําให้ไม่ได้รับความทุกข์มีอยู่เพราะมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่พอมายีดยม ก, กับความเยี่ย ก, กับกายเนี่ยกายสังขารซึ่งกายสังขารคืออ่ามาจาก5สี่ดินน้าไฟลมเนี่ยก็ตกอยู่ภ า, ายใต้กฎของการทำคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีความแปรปวนการที่วิชาที่ผิดเข้ามาเยี่ยจับโดยจิตเนี่ย เป็นผู้มีความเิดนิดเองไม่ยึดจับกายว่าเป็นตนเป็นตัวเราเนของของเราขึ้นมาจึงถูกอำนาจของไตรักเนี่ยคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยบีบคั้นให้ได้รับความพุ่งเพราะจิตจะพยายามควบคุมกายเนี่เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการมันเป็นไปไม่ได้เมื่อจิตพยายามจะควบคุมกายเนีเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการแล้วมันเป็นไปไม่ได้จิตก็ไปพยายามิดฟื้นอยู่ะเนี่ยฟื้นา็ไปควบคุมควบคุมควบคุม มันเลยการติดเป็นนิสัยของตัวเรามาโดยตลอดวาา่าสิ่งที่เราต้องการเราชอบสินทเราไม่ต้องการเราก็จะผักหมอบออกมาเนี่ยมันที่ทำให้ความหลงผิดเนี่ยสะสมะในจิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเกิดมีบุรุษบุคคลผู้มีปัญญาได้แทงตลอดสัตจากคือเห็นความทุกข์นี้แล้วเห็นเหตุที่เกิดทุกข์เห็ความหลุดไปของทุกข์ได้เห็นทางที่จะปฏิบัติต่อว่าจะปฏิบัติต่อทูกอย่างไงปฏิบัติต่อหเหตุที่เกิดทุกอย่างไงปฏิบัติต่ออับดับไปของทุกอย่างไร เมื่อรู้แล้วว่าเส้นนี้คือทางนี้ว่ามั่ยที่จะปฏิบัติต่อทุกว่ารู้ว่าตัวท่าสี่ขันห้าคือตัวทุกหรือว่าพยายามแก้ไขความเห็นเข้าไปเห็นว่าท่าสี่ขันห้าคือตัวทุกแล้วเมื่อรู้ว่าท่าสี่ขันห้าคือตัวทุกเกิดยามรู้ตามความเป็จริงทันทีอย่างนั้นคือสัตย์หยาอยามใช่ไหมแล้วก็รู้ปฏิบัติต่อทุกนั้นด้วยการยอมครับ เรกว่ากำหนดรู้เรียกว่ากิจยานปฏิบัติต่อทุกด้วยการกำหนดรูอร้อยู่เรื่อยเรี ย, เรยกว่ากิจยานเมื่อได้กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นเรียกว่ากัตปยานว่าเราได้กำหนดรู้อยู่อย่างเงี้ยญาณสมเกิดขึ้นการที่วงทรงทรงพูดถึงเรื่องเนี้ยเธอไม่มีใครสามารถอธิบายอริยสัจในแง่ยนี้เลยนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น เมื่อสวรรค์พระจ้าอาธิบายนี้พระเจ้าองค์ต่อไปอหรือว่าองค์ก่อนมนออานี้เพื่ออธิบายอย่างนี้เ <c oughs> พราะมันเป็นหลักการอย่างนี้มันเป็ น, ปนคล้ายๆกับว่าเป็นสัจจ์ไม่ว่าจะเป็นบุคคลอื่นจะมาตัดสินก็ต้องมาตัดสินอันนี้แล้วก็มาสอนแบบนี้เหมือนกันเพรานะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปรอภาษีอาสนะ์คาสอนของพระเจ้าของเราเนี่ยยังยใช้การได้อยู่มีใครรออยู่ไหยรอไัม ขับสอนพี่เจ้าก็ใช้การได้อยู่นะยังจะงยังมานํามาก็กำหน ด, ดรู้แล้วก็ทำคอามเข้าได้เมื่อเขาไปรู้มักเนี่ยไปปฏิบัติต่อทุกโดยการรู้ทุกว่าถ้าสี่ขันถ้าเป็นทุกรู้ว่าทุ ก, ทกจะต้องกำหน ด, ดรู้รู้ว่าทุกจะต้องเมื่อกำหน ด, ดรู้อยู่อย่างนี้ก็ความรู้ในความทุกก็ถูกควบคุมไปแล้วคือได้กำหนดรู้แล้วอย่างเงี้ยเขาเรี ความรู้นั่นแหละจะควบคุมให้เราได้เข้าใจความจริงแล้วทําให้ญาณทั้ง3าเนี่ยเกิดกับเหตจากนั้นก็มักก็ไปปฏิบัติต่อสมุทยัวยเพื่อว่าอะไรคือสมุทยัยอะไรคือเหตุแล้วก็ไปรู้ว่าตัณหาคือเหตุแล้วตัณหามันจะทํำยังไงปฏิบัติยังไงกับตัณหารู้ว่าตัณหาคือเหตุนี่เป็นสัจญานคือความจริงรู้สัจจังนะตัณหานี่แหละคือเหตุ แล้วก็รู้ว่าเราจะปฏิบัติต่อตัณหาด้วยวิธีการอย่างไงละตัณหาใช่้หมตัณหาคำว่าละเนี่ยตัวนี้ยจะเป็นปัญหามากตรงที่เวลาเกิดตัณหาขึ้นมาเราบอกว่าต้องละมันต้องละมันใช่ไหมส่วนมากเราจะทําำยังไงในค้าหมายของพเจารคือเวลาตัณหาเกิดขึ้นเนี่ยการทุกอองว่าให้ละตัณหาคือว่าให้เห็นตัณหาเกิดขึ้นในจิตของเราเอง แล้วก็ให้เห็นตัณหาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะดับไปด้วยตัวของตัณหาเองการที่เราเห็นอยู่อย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าละตัณหาใหม่จากตัณหาเดิมที่เกิดตัณหาเดิมที่เกิดคือมันเกิดแล้วเนี่ยมันไปรับไม่ได้เพราะมันเกิดแล้วการที่เราไปรับตัณหาที่เกิดแล้วมันไม่ใช่การละมันอาจจะดับไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่การละการละที่แท้จริงคือเห็นตัณหาที่เกิดและตัณหาที่ดับแล้วตัณหาตัวใหม่มันจะไม่ถูกสร้างขึ้น หรือไม่สื่อต่อตัวตั้หาใหม่ขึ้นด้วยตัวของตั้งหาเก่าเพราะถ้าเรารู้อยู่เนี่ยรู้อยู่ว่าตั้หาเกิดเนี่ยตัวใหม่จะไม่เกิดพอตัวตัวที่เกิดในกำลังจะถูกรู้อยู่พอเรามันถูกรู้อยู่ตัวของตั้งหาที่ถูกรู้ก็จะดับตัวออกมาเองมันเป็นอย่างนี้ลักษณะเมื่อเรารู้ได้อย่างนี้แล้วปั๊บตั้หาใหม่ไม่เกิดเราก็เป็นผู้ปฏิบัติต่อข้อมากในสมุทัยนี้ว่าเราได้ร่างแล้วเขาใหญ่ คือรักนัทธาใหม่จะเกิดแต่จะเกิดใหม่หรือมเกิดถ้าเหตุปัจเจกจะมีแต่เราก็ต้องปล่อยให้มันเกิดเพื่อที่จะได้รู้ในแต่ละครั้งที่มันเกิดข้อปฏิบัติในมัชในข้อที่สามก็คือปฏิบัติต่อนิโรธความดับไปของทุกในในิโรธผมวความดับไปของทุกเนี่ย อาจารยจะสอนทุกสิทธว่าให้ให้ใช้คำ ว, ว่าความให้รู้ความดับไปของตัณหาเพราะอะไรเมื่อรู้ความดับไปของตัณหาทุกก็ต้องดับถูกต้องไหมก็คือเป็นความดับไปของทุกนั่นเองก็คือถูกการกระแต่เพื่อที่จะให้เข้าใจชัาก็คือให้รู้ความดับไปของตัณหานั่นเองนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราเห็นตัณหาเกิดแล้วเรารู้อยู่แล้วก็ไม่สร้างปัณหาใหม่าการตัณหาเดิมที่เกิดแล้วตัณหานั้นงดับ การที่เห็นตัญหาดับอยู่เรื่อยๆนี่โลทันเห็นดับอยู่เรื่อยๆรู้ว่าตัญหานั้นดับเรียกว่าสัตจญาณความดับไปของพุกดับไปนี่เยสัจจญาณและสัตตะญาณเนี่ยควรทำให้แจ้งคือให้เห็นบ่อยๆเข้ามาทาให้แจ้งให้เห็นบ่อยๆแล้วก็เมื่อเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็คือความรู้ในนี้ก็ถูกควบคุมไว้ด้วยอย่างเนี้กเรียกว่าได้ทำให้แจ้งแล้ว ในขณะนั้นแต่ยังไม่แล้วนะมันจะมียังมีต่อไปอีกเพราะมั น, ม, นมันมันมรรยังไม่ได้ถูกเจริญขึ้นมากคือมันแล้วแค่ตรงนั้นถ้าแล้วแล้วก็พลังงานกนหมดไปนลนะ้วทีนี้ปฏิบัติ ข, ข้อมรรคคือการที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยให้เรารู้ด้วยว่าขณะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยคือมรรคแล้วคือขณะที่เรารู้โชคด้วยเหตุที่เกิดรู้ความเราผู้นี้คือมรรคแล้วนะแล้วมรรคเนี่ยเราปฏิบัติต่อกันยังไง ภาวิตัภาวนาอ่นรหรือว่าเราเรียภาวนาแล้นไปภาวนาคือไปต้อไปเจริญมัจคือสร้างขึ้นคือเห็นบ่อยๆเห็นอะไรเห็นทุกข์บ่อยๆเห็นเหตุที่เกิดทุกข์บ่อยๆเห็นความดับไปของทุกข์บ่อยๆอย่างมือไกรใจอะไรเห็นอยู่ต้องบ่อยๆใช่ไหมรู้ทุกข์รู้เห็นที่เกิดทุกข์รู้ค้ามดับไปของทุกข์อยู่เรื่อยๆควรเจริญขึ้นแล้วจะเจริญขึ้นหรือยังถ้าเจริญขึ้นแล้ว ากตาตยาเกาจะสอนเต็จะทากิจจะทำกิจกในการประหารก็ประหารเรืนเน่อยๆียประหารเรืนเน่อยๆแต่ยังไม่สิ้นสุดจนกว่ากำลังของมัดโคจรในกิจของเราเต็มที่แล้วคือหมุนเวียนเป็นียนรอบอย่างเงี้ยเวียนรอบกิจ3ปริวัติคือเวียนรอบ 3, 4เป็น12ปริวัติ2ิบสดวาราสกกาัง อย่าทำกูต่างคืออย่าทำกูตางบอกกำหนดไปชัดเจนรู้ตามความเป็นอย่งนี้วันนี้ทุกนี้เหตุที้เกิดทุกนี้ความระบายของทุกมี้ทางบาบาบาแบบทุกเนี่ยเราจะบอกว่าจับเป็นไปเพื่อการกระสระสจึงไม่มีทางอื่นมีทางเดียวเนี่ยถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ตามหลักการนี้แล้วสุดท้ายแล้วเราก็ย่นย่ออริยสัจ ส, สี่มาอยู่เพียงแค่การเกิดกับการดับอะไรเกิด ทุกเกิดทุกอยู่ที่ไหนตั้งฐานไมอยู่ที่นั่นก็ทุกเกับตั้งาเกี่ยวโยงกันทุกเกิดอะไรดับทุกดับนั่นเท่ากับว่ามีเรื่องอะไรที่ก่อให้เกิดความทุกข์ให้รู้การเกิดขึ้นของความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นดับไปด้วยตัวพมัติก็เห็นการดับไปของความทุกข์นะอาตมาจึงจัดอารมณ์ทุกอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาในจิตว่าอารมณ์ทุกอารมณ์จัดเป็นทุกขสัจจ์มันไม่ใช่กิเลส เป็นความโลภความโกรธความหูพวกเนี่ยแต่มป็นในทุกขัสัจจะมันไม่ใช่กิเลสพอใจไม่พอใจพวกเนี่ยโกรธเกลียดอันขังเป็นทุกขัสัจจะยังไม่ใช่กิเลสกิเลสคือการที่เราไม่ได้เข้าไปตกลง ร, รู้ถ้าเราเข้าไปตกล ร, รู้มันจะทําลายความไม่รู้แต่ถ้าเราไม่ตกลงรู้จิตเราจะดีแค่ไหนก็ตามจิตเราจะมีกุศลปรุงแต่งหรือรองรักแค่ไหนก็ตามมันมันไม่สามารถที่จะทํากิเลสในการประหารได้ ตามที kids, kind of the ่ผมบอกอารมณ์ใดปรากดกับ un จิตนั้นคือการเกิดขึ้นของความทุกข์อารมณ์ใดดับหายไปจากจิตนั่นคือการดับไปของความทุกข์การที่เห็นอารมณ์เกิดและดับคือการเห็นผู้เกิดเห็นผู้ดับก็คือทำกิจในอริยสัจคือบำบัดออกมาแล้วว่ามีการทำกิจมีอริยสัจคือเราเห็นการเกิดและการดับ2ส่วนนี้อยู่เป็นประจําอยู่เรื่อยๆแต่เพราะฉะนั้นการที่เรามาเห็นการเกิดการดับหรือเพราะอัญญากวีเห็นเนี่ย คือเห็นลักษณะของสภาพที่เกิดตอนนั้นพระยาพุทัญาณท่านยึดจับอยู่กับแนวทางของการบำเพ็ญตนที่ลำบากใช่งไหมละ่ะว่านี้แหละการเดียวนนี่ยมันงจะสิ้นอาสาวะได้ที่เลยจะหมดไปได้ท่านยึดจับอยู่อย่างนั้นท่าก็เลยมาเห็นว่าการยึดจับอยู่อย่างนั้นเป็นวิภพาทานหาความอยากอย่างยิ่งยวดนี่คือความพิเศษขอความควา ม, ความที่มัน ไม่ใช่อยากรรดานะอยากแบบยิ่งยืดออะไรวิพาละตัณหาที่วิ่งวนอยู่ในจิตถ้านก็เห็นความอยากของท่า น, ท, านท่านก็อยากจะสําเร็จเหมือนกันท่านอยากจะสิ้นที่เละเหมือนกันแต่ท่านจับทางผิดเองพองค์บอกให้โลงมาสู่ทางสายกลางเพียงแคแ่เห็นอาการแห่งจิตที่มันเกิดเกิดขึ้นที่เป็นความอยากเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฉะนั้นแล้วในจังหวะที่ พระอัญญาปัญญาัไม่ฟังบทธรรมเนี้ยอยริยสัจสีที่มีหีบสาศิวสิบสองเนี่ยท่านก็เลยกำหนดนรู้ตามเมื่อท่ า, ากนกำหนดรู้ตามว่า้า4สี่ขันธ์ห้าเป็นตัวพูกโดยตัวข้ามาจจึงไม่ต้องไปทรมานมันเมื่อไม่ทร ม, มานมันความอยากที่คิดว่าจะต้องบำเพ็ญโดยการทรมาร่างกายให้สิน้นกิเลสก็ดับไป ท่านก็เห็นความอยากนั้นดับไปเมื่อท่านเห็นความอยากดับไปก็เกิดเป็นนิโรธมั้งคือท่านเข้าไปกำหนดรู้เห็นอยู่เรื่อยๆในขณะแห่งจิตของท่านหมายถึงว่าท่านไม่ได้สามารถที่จะเห็นแล้วบรรลุทําได้เลยแต่ท่านเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วนี่อีกย่ำๆๆแล้วเกิดความกระตันแจ้งอยู่ในภายในในขณะนั้นจึงเกิดเป็นสภาวะที่เหนือจากการกำหนดรู้นี้การกำหนดรู้เนี่ยเป็นวิธีการ แต่ตัวสภาวะที่ท่านรู้เนี่ยมันอยู่นอกเหนือวิธีการเพราะเราปรากฏเป็นผลที่ท่านได้สร้างว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นก็ต้องดับด้วยตัวของมันเองเมื่อสิ่งใดก็ตามที่เกิดโดยตัวงมัเองสินั้นก็ดับโดยตัวของมันเองสิ่งนั้นก็ต้องรวมแม้กระทั่งกิเลสอาสวะต่างๆที่มันเกิดมาพร้อมกับขันพร้อมกับอารมณ์พร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตเราเพราะฉะนนั้การเกิดขึ้นครั้งหนึ่งของอารมณ์ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะอารมณ์ มันมีหลายๆอย่างแฝงเข้ามาแทรกเข้ามาเพราะมันกระทบทีนึงปุ๊บมันจะไปดึงเอาเรื่องราวต่างๆที่เคยสะสมไว้ในจิตขึ้นมาประกอบขึ้นมาปุงแต่งขึ้นมาป่อตัวเป็นเป็นเป็นแรงผักดันเป็นแรงบีบขั้นเป็นแรงก่อทุกข์ก่อสิ่งต่างๆในในจิตในใจของเราเองเมื่ออารมณ์ล่านี้ดับแม้แต่พวกอาสวัที่อาศัยเอามณเกิดในขณะนั้ก็ต้อง ดับไปด้วยไม่ไม่มีเหลืออยู่และไม่ค้างอยู่ถ้าถูกรู้นั้นแต่ถ้าไม่ถูกรู้มันดับลงไปคือถ้าดับดับด้วยความไม่รู้ของเราพอดับด้วยความไม่รู้ของเราก็สะสมเป็นอาสวะแต่ถ้าดับลงไปแล้วเรารู้ขนาดแห่งการดับนั้นถ้าเอารมณ์พร้อมทั้งอาสวะกิเลสดับลงไปพร้อมเพราะมันรู้อยู่มันก็ดับลงไปด้วยความรู้ที่เรากําลังรู้อยู่เมื่อเรามันดับลงไปด้วยความรู้ที่กำลังรู้อยู่ความรู้ที่รู้เนี่ย มันจะทําให้อารมณ์ที่ดับไปนั้นไม่สะสมเป็นอาสวัตและมันจะค่อยๆตัดความเชื่อมต่อการก่อเกิดของภพชาติเพราะฉะนั้นตัวตัณหาที่พระเจ้าทรงบอกให้รับคือตัณห้าปนโลภะวิการนัมลิปะคะคือตัณหาอันนําไปสู่ภพใหม่ดังนั้ว่าตัณหาเกิดขึ้นในใจจิตใจเราแล้วหากเราไม่เห็นการเกิดขึ้นของตัณหาและการดับไปของตัณหามันจะมัจะมีตัณหาตัวใหม่เข้ามาต่อ หรือว่าตัวตันหานั่นเองอ่ะพอที่มันจะดับไปมันจะสืบต่อตัวมันเองโดยอาศัยความไม่รู้เป็นตัวปรุงแต่งตัวเข้ามาอย่างที่อธิบายไปวันนี้คือเกิดการหยาบลงของขันแล้วก็สืบตัวเข้ามาการสืบตัวเข้ามาเรียกว่าปฏิสนธิตัวมันเองโดยการที่มันเอาคุณสมบัติของตันหานโดยอาศัยอารมณ์ที่กระทบในเวลานั้นในเวลานั้นมาเป็นคุณสมบัติเพื่อสืบต่อตัวนเองปฏิสนธิตัวมันเอง ตัวตันหาที่เกิดระดับเหลือคุณสมบัติที่สืบต่อตัวเขาในเองมาเพื่อให้จิตดวงใหม่ขึ้นมารับก็เป็นตันหาเพราะจิตดวงนั้นคือตันหาจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมารับก็ต้องรับผลของตันหาก็คือตัวตันหาตัวใหม่ที่ถูกส่งผลมาให้รับสืบทอดเพราะจิตก็เกิดดับรับอารมณ์โดยปกติเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยแต่เมื่อเราเห็นแล้วปั๊บมันดับไปเพิ่มเนี่ยดับเพรไปที่ความรู้ตันหาใหม่ไม่ถูกสืบต่อ มันจะมีสติกั้นพอสติกั้นปั๊บตอนที่เห็นตัณหาดับลงไปเพลิกเนี่ยสติกั้นแล้วเนี่ยตัณหาใหม่ไม่มาอารมณ์ใหม่ไม่เกิดพราสติทําหน้าที่ในการกั้นอยู่ความว่างนี้จะค่อยๆขยายตัวออกมาสติจะคลายตัวลงไปสู่ในความว่างแล้วจะเกิดมาเป็นปัญญาเขาเรียกพัฒนามาเป็นปัญญาตัดสินอารมณ์ที่เกิดกับผิดในเวลานั้นว่า <c oughs> เมื่อให้สื่อต่ออีก ตันหาที่นําไปสู่พบใหม่ก็ไม่มีเมื่อตันหาที่นาไปสู่พบใหม่ไม่มีโปโนพมบิกตันห้าโปโนพอิการนนัดิรากะสหคาตาตัตราตัตราพินานิความยินดีเพื่อเพลินต่างๆเหล่านั้นก็ต้องัดไปเลยมันก็ไม่สืบต่อจากนั้นแล้วหลักการที่พงศงสอนไว้ทั้งหมดเพื่อให้รู้เท่าทันโดยความเป็นจริงของเราผัดทางกันไม้ถัะทำไมไม่รับ ทีนี้ความว่างที่ตาบ้าพูดถึงที่ว่าเห็นลงไปปั๊บเนี่ยแล้วมันจะเกิดความว่างขึ้นมารองรับผิดและปรากฏเนี่ยอันนั้นยังไม่ใช่ความว่างในทางที่ต้อู้ที่เราต้องการเนีเป็นความว่างเป็นเพียงแค่พื้นฐานความว่างนั้นเป็นความว่างที่ประกอบด้วยสังขารอยู่ยังยังเรียกว่าเป็นอากาสัตวอากาสัความว่างมีชองว่าง มันนี้มีหมึกเรือ่อง <c oughs> <c oughs> กระดานมีว่างอยู่เนาะ <c oughs> เรมองเห็นกระดานนี้คือกระดานว่างเปล่าเปล่าอีกไม่มีอะไรใช่หรือว่าถ้าจะมาเขียนอะไรลงไปในกระดานอันนี้กระดานวางเรืยัฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> กระดานไม่ว่างเหะ <c oughs> ดูดีๆมันทําไมถึงไม่ว่าง แสดงว่าเรา ม, ามองเส้นเราไม่ได้มองกระดาเรามองกระดานี้มันจะงบ้าอยู่ไหมฮะยังบ้าอยู่ใช่ไหม ม, มันอยู่ที่การมองเห็นไหมมันไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ปลากฏอยู่บนในความว่างอะไรก็ตามที่ปลากรดอยู่ในความว่างมันไม่สามารถเข้าไปแทนที่ความว่างได้เลยแต่มันอาศัยความว่างปรากฏวดผ า, ก, า ก, กระดานี้มันไม่ว่าอาตมาควบกุมเดียร์อะไรลงไปก็ได้ เราสรามณพราหมณท่างหลายในคํำพูดการเขาปรเป็นมาถึงขั้นของความว่างในชั้นเนี้ ย, ยคือเขาผ่านลูกพวกเนี้ยหมดเรื่องเรื่องความว่างคือจะพยายามอธิบายเปลี่ยนเรื่องให้ฟังเขามาเจอความว่างชนในนี้เขาบอกว่าเขาถึงที่สุดแห่ทรแรงทุกข์แล้วแต่ว่าความว่างชั้นในเนี่ยเป็นสังเป็นสังขารยังไม่ได้ที่สุดความว่างตอนที่พากเปี่ยนสุมือความว่างที่อยู่ภายนอกนี้ไม่ไอยู่ในกระดานเนี้ย ความว่างที่จะว่างแค่ไหนก็ตามก็ยังอยู่ในกระดานหมายว่ายังยังเป็นวัตัะยังอยู่ในยังจริงๆอยู่ในวัตถะสาเหตยวกับพวกสนนิพุสแต่พระทิย์ภานคืความว่างที่นอกเหนือจากตัวนี้ยออกมาไม่เกี่ยวกับสังฆตฏทั้งหมดไม่เกี่ยวกับเรื่องราวในนี้เพราะฉะนั้นแม้จะปากรถอะไรขึ้นมาบนกระดานนี้ก็ตามหากเรามองให้ถูกมองเห็นจริงๆแล้วมันก็ยังว่างอยู่ดี มันมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดถูกแคนที่ด้วยอะไรต่างๆนาน า, นาที่มันมีอยู่เต็มมืหมดเล้เนี่ยเพราะฉะนั้นกายกับจิตของเรานะเป็นธรรมชาติที่มันว่างอยู่โดยปกติไม่ต้องไปต้องให้มันว่างอีกเพียง <c oughs> แต่เราไม่เห็นใครจำไ้เพราะเราไปมองแต่สิ่งที่ปรากฏกับจิต <c oughs> ไปมองแต่สิ่งที่มันเกิดอย่างเงี้ยมันปรากฏอย่างเงี้ย แต่เราไม่ได้เห็นสิ่งที่มันมีอยู่โดยตัวของมันอยู่แล้วเราก็ต้องอาศัยอาศัยตัวความว่างนี้เป็นพื้นฐานก่อนแต่ไม่ใช่มามายึดตัวมันนะั้นเอาตัวนี้เป็นพื้นฐานก่อนเพื่อมองให้เห็นความจริงของสิ่งที่มันเกิดกับกิิเนี้ว่าความจริงที่มันเกิดกับกิตของเราเนี่ยมันเกิดแล้วมันดับจริงหรือเปล่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมด า, าแลดับจริงเป็นธรรมดหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหม จบแล้วอจบง่ายจังเข้าใจกันนะทุอาจารย์ไม่ได้พูดถึงกรรมฐาน40เลยที่พวกโยคเข้าใจในการที่จะไปพิจารณาเรืองของอาลัยสตร์เนี่ยครับก็ไม่ไม่พูดถึงเพราะเพราะว่าพวกเราสรุกันหมดแล้วเนี่ยกรรมฐานอย่าลืมนะทำเพือการเล่นดา พระองค์เสด็จไปตามหมู่บ้านพระองค์เดินไปพองค์ก็ไปสอนชาวบ้านอบอกว่ากระทําจิตอย่างนี้กาําหนดความหมายนี้ตั้งทิฏฐิอย่างนี้ตั้งความเห็นนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้ก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ต้องมีสีสบก็บางทีก็ต้องมีก็ต้องอาศัยตามวัตถยาสายของคนตามเท่าที่พุทธเจ้าทรงทรงตัสสอนแต่ตานมาเห็นพวกเรา <c oughs> ไม่ใช่เลยเลยส <c oughs> ะสมสุตต่นมาเยอะแล้ว <c oughs> เอยบอก บอธรรมชาติเหราเนี่ยให้เราได้เข้าใจเพิ่มเติมเพราะเราเอาออกไปประยุกต์กับการมัญหาที่ทำอยู่ให้เข้าใจใช้ความว่าเป็นพื้นฐานของการมองอยู่เรื่อยเมื่อเราเห็นความจริงของสังขารทั้งปวงที่ปรากฏขึ้นมาจากความว่างแะดับลงไปในความว่างแล้วเมื่อนั้นเราจะเกิดปัญญาตัดสินลงไปในสภาพสังขารอะไรทั้งปวงเองแล้วคาสอนพุทธเจ้าจะไหลรวมลงสุ่ที่เราสั่งสมมาทั้งหมดสุตตัทั้งหมด จะเกิดขึ้นมาอธิบายเรื่องราวต่ตางๆภายในจิตของเราให้เราได้ทราบอีกเพราะฉะนั้นอาตรมาสอนลูกศิ์ก็จะสอนเองไม่มีวิธีการอะไรค่ะอธิบายให้เข้าใจอธิบายให้เข้าใจแล้วก็ไปให้เป็นความเข้าใจนั่นแหละจะนำไปสู่การปฏิบัติเองคือจะเกิดการปฏิบัติภายในตัวของเขาเองแลว้วก็สามารถปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องทการกานอยู่แบบนี้คว่ า, าแล้วมั น, มนเป็นกระบรมฐานได้ยังไง ขณะที่จิตเราอเรามองเข้าไปในจิตได้เห็นความบ้านอยได้เห็นสิ่งที่ปรากฏของความบ้านจะจับอยู่ในกรรมฐานพอดีกายานุปัสสนาก็ได้เวท น, นานุปัสสนาก็ได้ถ้าเวท น, นาเกิดก็เอาเวทนาเป็นกรรมฐานใช่ไหม <S 2> <S 2> <S มันมันมันจับลงในทุกกรรมฐานที่บอกเลย น, น่าจะพูดถึ ง, งนะเป็นอารมูปชางก็เลยไ ด, ได้เป็นลูกไ ป, ปชางก็ได้ถ้าเกิดถ้าจะเอาพื้นฐานของความบ้าไปเพิส มันเกิดไป่ได้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนไว้เพื่อประโยชน์แก่พวกเราก็คือการเห็นขันท่าเกิดได้ดับเพราะฉะนั้นเรื่องราของขันท่าเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะต้องใส่ใจ้เป็นสําคัญคือต้องทําความเข้าใจเรารู้ขันท่าแล้วเราอาจจะยังไม่เข้าใจขันท่าเอ๊ ไม่เข้าใจาผม็ไม่ใช่อาจจะยังไม่เข้าใจในแง่มุมที่อาตมาอธิบายแต่ามเข้าใจพวกเราคงจะเข้าใจมาแล้วแหละ ได้ไหมรูปคือภาพสีเนาะอันนี้คือจิตทําไมอาตมาถึงบอกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวจิตเป็นจิตเราต้องเข้าใจว่าจิตมันไม่มีอยู่โดยตัวของมันนะอันนี้ต้องเป็นความเข้าใจพื้นฐานเลยว่ามันไม่ได้มีอยู่โดยของมันเพราะว่า มันอิงอาศัยสามอย่าง4อย่างถ้าเราพี่พัมบอกว่าเวทนาสัญญาสังขารไมมีวิญญาณเขาบอกวิญญาณคือตัวจิตถ้าวิญญาณคือตัวจิตจริงตามที่องค์ทรงตัดไว้ในพระสูตรในบางพระสูตรที่บอกว่าเราตัดบางครั้งตถาคตกล่าวว่ามหาพุทธสีนี้ตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้าง อันนพงงตัดเป็นเป็นนายักแต่ไม่มีคําอธิบายอย่างนั้นแต่ตัดเป็นนายักให้เราได้ทราบพอตัดตัวนี้จบเสร็จพวกพงศก็ตัดต่อมาว่าอิมัานิสติอิดัมโมติเพราะสินี้มีสิ่งนี้จึงมีนั่นหะมายถึงว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมหล่อเกจเตศเนี่ยเกตสิศจิตจะไม่มีถ้าไม่มีดินน้ําไฟลมรูปก็จะไม่มีเพราะมันมีสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้นะในความหมายนะั้นนะพงศงจึงตัดไว้ว่า เราถามข้อกล่าวว่ามหาพูด4นี้ว่าเป็นจิตบ้างวิญญาณบ้างมงโนบ้างอะไรพวกนี้คือมีมีจิตอยู่ในนี้มีวิญญาณนี้มันอะไรอย่างเนี่ยในรูปเนี่ยจึงเรียกเรียกรวมกันไปเลยว่าจิตบ้างในบ้างพโนบ้างอะไรพวกนี้แต่มันน่าแปกที่ว่าทําไมส ม, มาธิจับวิญญาณเนี่ยลงในจิตเนื่องเพราะว่าเวลาเวทนาสัญญาสังขัญ ปรุงแต่งให้มีจิตขึ้นมาแล้วเมื่อปรุงแต่งให้มีจิตมาแล้วจิตที่ถูกปรุงแต่งมาจะต้องมีอายตนะเป็นตัวรับรู้เรียกว่ามานายาตนะเหมือนกับมีกายขึ้นมาก็จะมีจักรจากรวายยาตนะโสตายาตนะกานายาตนะชิวหายาตนะกายายาตนะเพื่อเป็นเครื่องรับตารับภาพหูรับเสียงจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายรับการสัมผัส มันจะต้องมีมีขึ้นมาโดยธรรมชาติโดยการปูุงแต่ขึ้นมามานอจตนะเป็นตัวรับรู้ภาษาไทยก็เรียกว่าใจหรือมนโนนี่แหละมนโนอยู่ในอยตานาะไม่ไม่ใช่จิตแต่เกิดออกจากจิตเหมือนกับดวงตาเราเกิดออกจากกายเนี่ยแต่แต่ค ว, ว่าตาคือจับสูงเนี่ยจับสูงคือตาเนี่ยไม่ใช่ลูกตานะ คือสภาพที่กอ่อให้เกิดการเห็นเนนนรียกว่าจักษุสภาพที่กอ่อให้เกิดการได้ยินเรียกว่าโสตติไม่ใช่หูหรือใบหูสภาพที่กอ่ใก อ, กกอให้เกิดเป็นรับร้างจินสภาพที่ก่อให้เกิดรับรู้รับรสหรือว่ารับการสัมผัสพวกนี้จะเป็นอายนตนาเพราะคนมีลูกตาแต่รับภาพไม่ได้ก็มีอายนตนาสูญเสียไปทีนี้มีจิตก็ต้องมีใจเป็นอายตนารับสรางหากมีใจแล้วมรรยาณา จกักษุเนี่ยจะเป็นอายนาที่รับกับรูปอย่างเดียวใช่ไหมรับเสียงได้ไหมไม่ได้รับรูปเดียวหูก็รับเสียงเท่านั้นรับรูปก็ไม่ได้มานาเจต น, นะรับอะไรทำารมณ์ทำอารมณ์ทำอารมณ์คืออะไร อาแตมาแปลง่ายๆว่าอารมณ์ที่มาตามธรรมาระพมันธรรมอารมมันมาตามปกติตามธรรมารที่มันเช่นเราเห็นสิ่งใดก็ตามได้ยินสิ่งใดก็ตามมันก็ต้องส่งผ่านเข้ไปหาใจตามปกติตามธรรมาะคืออารมณ์มันมาตามธรรมาตามปกติเราจะอารมณ์ตามธรรมธมอารมณ์ท่ามณ์เท่านั้นที่กระทบใจแล้วธรรมอารมณ์มาจากไหนมาจากสิ่งที่เห็นมาจากสิ่งที่ได้ยินมาจากสิ่งที่ได้ยินมาจากสิ่งที่ได้ยินและมาจากสิ่งที่สัมผัส แล้วรวมกันเกิดทำมาลงทำลงนี้เมื่อเกิดขึ้นมาปั๊บจึงเชื่อมโยงเพราะมันเป็นธรรมชาติมันต้องเชื่อมกันเชื่อมโยงกับใจพอเชื่อมโยงกับใจคือมานา ย, ยตานะนี้มานายจารนี้พอเชื่อมโยงปุ๊บเกิดกระ บ, บนวนการที่เรียกว่าภาษาคืออาญานะภายนอกหนึ่งอาญตนะภายในหนึ่งเกิดอะไรเนี่ยวิญญาเกิดอมาเนี่ย ถ้าไม่เกิดวิญญาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีอายตนะอยู่แต่ถ้าไม่เกิดวิญญาเนี่ยจะรับรู้ได้ไหมจิตถ้ามีเบธนาสัญญาสังขารอยู่ถ้าไม่มีวิญญาจิตจะรู้อะไรไม่ได้เพราะนั้นอาตมาที่บอกวิญญาก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อประอกอบกับจิตโดยทำหน้าที่ให้จิตได้รู้เมื่อมีสิ่งที่มากระทบกับอายตนาหรือมานายตนา อันนี้คือทัศนคติที่เราเรียกว่าส่วนตัวนะมันอาจจะไม่ถูกกับแบบอย่างและอีกอย่างหนึ่งหากเขาบอกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นจิตไม่เกี่ยวกับเวทนาสัญญาสังขารันี่ยแค่ปรุงแต่งเท่านั้นแต่ตัววิญญาณเนี่ยคือจิตแท้ๆวิญญาณของ จิตหรือวิญญาณเนี่ยผู้เจ้าสุนทรตัวว่าวิญญาณไม่ใช่สภาพที่พูดได้ไม่ใช่สภาพที่รับวิบากกลรมได้ไม่ใช่สภาพที่เสวยกรรมวิบากได้ผู้เจ้าหมายงั้นนะหากว่าจิตเป็นวิญญาณแล้วผู้เจ้าบอกว่าวิญญาณไม่ใช่สภาพที่พูดคุยกับอะไรกับใครได้ไม่ใช่สภาพที่เสวยกับมวิบากได้ รับรู้อารมณ์อย่างเดียวใช่รับรู้อารมณ์อย่างเดียวแล้วก็ดับไปวิญญาณของพระเวสสันดรหาวิญญาณเป็นจิตจริงๆก็คือจิตของพระเวสสันดรมาเกิดเป็นสีธาตุใช่ไหมเป็นอาเป็นเดินเป็นเท้าสารูสิปอดปอดอมาจะเป็นเวสสันดรนะนั่นก พระเวสสัดนดรไปเกิดเป็นสันตุสิทธิ์ก่อนใช่ไหมห <c oughs> มายถึงว่าพรเวสสันดรไปเกิดเป็นสันตุสิทธิ์แต่คุณเจ้าบอกว่าวิญญาณเกิดที่ไหนดับที่นั่นไ <c oughs> ปนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว <c oughs> ิญญาณจิตจึงไม่ใช่วิญญาณแบบโดดๆเข้าใจไหมวิญญาณจิตเป็นแค่ตัวประกอบให้จิตได้รับรู้สิ่งที่เกิดตอนนั้นแล้วก็ดับไปตอนนั้นตอะนั้นเองไม่ได้ไม่ได้เป็นสภาพผู้เสวยวิบากกัน เขาจยังผู้ย่อบอกว่าหากบุคคลใดเห็นว่าบิญยาณไปเป็นผู้เสวยวิบากกรรมเที่ยวท่องไปในวัฏจักรผู้ย่อบอกว่าบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เป็นเห็นผู้เป็นผิดครัถึงขนาดที่เรียกว่าขุดตนออกจากศาสนาออกจากคุณธรความดีเลยนะไอที่เราเห็นเป็นตัวบิญยาณเดินออกไปเยอะมากของคนตายไงบินยานตัวนี้ไปเกิดได้ไหมเนี้ผิดเลยนะ แล้วผู้ชันจิตที่เป็นความที่ไปต่อชใช่จะพังใช่จิตนะจิตอ่าคือพัฒนาสัญญาสังขารจินยานะเวลามันสร้างจิตขึ้นมาแล้วปั๊กเนี่ยหมืนอนกับูปเนี่ยนะาสีสร้างลูกขึ้นมา น, นะก็ก็สามารถทำการต่างๆทางทางรู ป, ปกายได้เป็นกายกรรมอันนี้เป็นเป็นมโนกรรมเขาเนี่ยคือมานา ย, ยากนะก่อนที่จุติจิตดวงสุดท้าย จะดับไปนะเวทมนตจะดับก่อนสัญญาจะตามมาสังขารก็จะตามมาเหลือแต่วิญญาณทําหน้าที่ก่อนที่มันจะดับไปนะก่อนที่ตัววิญญาที่จะดับไปเนี่ยมันจะมันจะดึงที่เคยทําไว้ทั้งหมดจะดึงออกมาเพื่ออะไรเพื่อสืบตอบพวกมีกรรม ออะไรจิตก็อยู่ในนี <And> ้นะเพราะเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับเหลือแต่วิญญาณที่คอยคุมแต่งอยู่ออประกอบให้จิตดำรงอยู่เพื่อที่จะส่งผลให้พุทธเจ้าบอกจิตเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันแุง่ให้วิญญาณเปรียบเสมือนเมล็ดพัน มาเล่พังเพื่อกรรมเสียเสมือนพื้นนาวิญญาณเพืจะวิญญาณที่ยังยังไม่สามารถจิตเที่ยงไม่สามารถละตัณหาอะไรเพื่อจะมีตัณหาเข้ามาตัณหาคือ ย, า ง, ย, อยางเหนียวยางเหนียวในพื้นเพื่อนนะ ก่อนที่วิญญาณจะดับปั๊บเนี่ยกรรมสัญหาวิญญาณซึ่งเป็นตัวมะเล่นมันจะประกอบกันจะดึงมาโดยดึงมาจากตัวจิตเนี่ยจนจินตจิตจะดับเนี่ยคือมันจะดับตัวมันปั๊บเนี่ยพวกคุณสมบัติที่มันสะสมไว้ทั้งหมดในจิตที่ไม่ได้ถูกฝึกฝนไม่ได้ถูกวิปัสสนาไม่ได้ถูกกัมือรู้ทั้งหมดเนี่ยที่ยังไม่ถูกล้างระบบในการสืบต่อเนี่ยจะจะถูกดึงมาเ้ือ่ออานาจของวิญญาณ พอบินญางจะปฏิสนธิสื่อต่อไปปั๊บเหมือนกับจิตเนี่ยเหมือนกับพลไม้ที่ร่วงลนลงสู่พื้นพื้นดินพอจะติกิจกรรปับ๊บเมื่อผลไม้ร่วงลงสู่พื้นดินกรรมคือพื้นนาที่จะก่อให้เกิดการยางรากของมเมล็กพันธุ์ใหม่ที่จิตมีตัณหาเป็นยังเหนียวอยู่ภายใน มันก็เลยก่อให้เกิดพวกใหม่ไนดะ้นี่คือการอธิบายในเชิงเปรียบเทียบการก่อเกิดพวกใหม่เป็ น, เ ป, นเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ที่นี้จิตของพระอริยเจ้าไม่มีปัญห า, ายางเหนียวไม่มี <c oughs> เช่นพระราห์ไม่มีอย่างเหนียววิญญาณมีจิตมีการที่เคยทามี พอตัวติกิกับปุ๊บเหมือนตบอมมาเล่นพันที่ร่วงหล่นลงสู่ขึ้นแล้วแต่ยางเหนียวไม่มีเกิดได้ไหมไม่ได้ก็ถึงแค่การแตกสลายไปแค่นั้นเดียวใช่ถ้าเราเป็นอนุปาสิเสสติพันธะดับให้มีการมก่อเกิดร่างใหม่พพใหม่ไม่มีไม่ใช่เป็นน้องเนี้ยเพราะะนั้นเราไปดับที่กรรมได้ไหมดับที่ตัววิญญาณไม่ได้ ไมด้มันมันเป็นเรื่องที่พ่อใหญ่บอกไปไม่ไ้แต่เราเราดับตัณหาได้ก็เลยสอนให้ดูสัณหาเนี่ยเจ้าก็มาถามข้อไหนอีประมาณเนี้อ่ะอาตมาเครื่อนมาอัตมาอธิบายในเชิงพี่อาตมาพี่เจรนาเราก็มีข้อออกมาอันนี้เราก็พิจารณาดูว่าจะยังไงลองนี่น้ครับ ดูการเกิดของสัญญาก็ลบกระดาษหมดแล้ใช่ไหมครับอาจารย์ <c oughs> จบเลยนใครมีความสงสัยจะถามในข้อถามอีกตอบอีสักหน่อย <c oughs> ตอบอีกสักหน่อยว่มื่อว่าเจอท่านอนยาแล้วเนี่ยก็ต่อไปที่ท่านพาหยายสักนิดนะครับ <c oughs> าหียอะไร่าท่านว่าท่านไวขนาดนั้นเดียท่านเห็นต้นทาง เป็นปฏิญาแล้วไปอภิยสัอย่างไรมาจะเป็นต้นางอภิยเป็นคตหที่บรรลุทำได้เร็วที่สุดนบรราอหารตสาวกในในผู้ที่เป็นคตหตพรงค์รตรัสบอกว่าดูก่อภายในการในแลมเมื่อเธอเห็นสั่งแรมว่าเห็นในการในแลมเมื่อเธอได้ยินสั่ตแว่ได้ยินในการในแลเมื่อเธอรับทราบสัตงแว่ารับทราบ ในการนั้นเธอก็จะเห็นว่าโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีแม้ในระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนั่นแหละโดยที่สุดเห็นทุกถามว่าฟังแค่เนี้ยท่านบรรลุได้ยังไงเป็นอาหารเลยนะไม่ไม่ได้ธรรมาธรรมดาเลยะเห็นแล้วตัณหาไม่เกิดก็สัต์แต่ว่าถามว่าท่านก็เป็นปุรยชนทาไมตัณหาถ่าไม่เกิด เพรท่านเห็นรูปโดยความเป็นรูปไม่ได้เห็นรูปด้วยความเป็นตนเอาท่านทำไมมีปัญญารู้กาะนั้นท่านก็เป็นลาภีเดลธีมาก่อนแต่ไหมท่านท่านเป็นปริพายทุกชีพเลือ ย, อยท่านทำไมมีปัญญารู้เป็นอย่างนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่ท่านจะได้มีปัญญารู้เพียงแค่ในยะแห่งบทธรรมที่โภกทรงกล่าวสั้นๆเนี่ยต้องพูดถึงดวงอดีตชาติที่ท่านบอกเกิดมา อีกปีบนภูขเขาเน่ยอเรื่อคือคนตักน้ําใกล้จะเต็มตุ่มเลยอีกครั้งหรืมันจะเต็มอีพอได้ฟังอีกบทธรรมหนึง่งมันก็แทงอารูปด้วยปัญญาเรื่อยๆในอริยสัจก็เมื่อท่านเห็นสัตว์แปลว่าก็คือสัตว์จจลว่าแต่เราไม่สัตว์จจลว่าใช่ไหมเราไม่ได้สัจแค่พอเห็นเห็นไม่ได้เห็ น, หนรูปโดยความเป็นรูปเราเห็นรูปโดยความเป็นต้น อยู่ตลอดเวล า, าเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้แต่ถ้าท่านแก้มาตั้งแต่พบชาตก่อนนะเหลือเพียงแค่จิตที่จะเข้าไปรู้ความจริงขณะที่เห็นรู้ความจริงขณะที่ได้ยนิขนขณะที่ ร, าานนะรับทราบเท่านั้นก็วิชาความรู้จริงก็เกิดแต่ท่านต่อสบู้ยังไงก็ ไม่น่าจะมีใครจะไปรู้หรอกท่านแล้วต่อมาก็มีผมเห็ได้แค่รีบใจอย่างเงี้ยรีดีใจออกมาอย่างงี้ยรีดีใจแบบเมืวานนะอ๋อจิตปกติก็ต้องลงสู่องค์ธรรมอันเดียวกันนะป้าเมื่อท่านมาโดยความเป็นบุรุษชนโดยความไม่รู้อยู่แล้วเมื่อพงศ์บอกว่าเมื่อท่านเห็นสัตว์แต่ว่าเห็นในภาษาบาลีเนี่ยเราอาจจะได้รับการแปลมาใน บัวหานอย่งนี้ว่าสั่งแปลว่าเห็นเพราะฉะนั้นในบาลีในในคําศัพท์ในแต่ละคําที่ถูกกล่าวไว้เนี่ยหากเลื่อนไปก็ตามที่อตาตมา ย, ยังไม่ได้ลงลึกถึงรากของภาษาอตาตมาจะมีะห์เรื่องราวแบบนั้นไม่ค่ยได้เพราะในเฉพาะลาพังบัวหารของภาษาที่ถูกแปลออกมาเนี่ยเราอาจจะฟังได้พอเป็นจำนวนในการรับทราบข้อธรรมครับแต่ตัวกกลึกจริงจริงเนี่ยในบาลี ที่สโนตโรตงตมันต้องไปซีแตยมีรละเอียดเยอะหน่อยแต่ถ้าจะพูดง่ายๆคือว่าสีแดงก็ตามที่เรายังไม่รู้พระเจ้าจะสอนธรรมะโดยอภิศัยให้เราเข้าไปรู้ในสิ่งนั้นพระองค์ทรงเข้าใจแล้วว่าการบาเพ็ญของพาหิยะที่มาแต่ปางก่อนน่ยก็ท่านบําเพ็ญแล้วรู้ในรคำถามนี้ท่านบําเพ็ญมาท่านรู้แบบนั้นแล้วอะไรที่ท่านยังไม่รู้ สิ่ี่ท่านยังไม่รู้คือท่านยังไม่รู้รูปโดยความเป็นรูปยังไม่รู้เสียงโดยความเป็นเสียงและไม่รู้รับทราบในรับไม่รู้ในสิ่งที่รับทราบว่าเป็นแค่สิ่งที่รับทราบ<ส earlier>นั่นหมายถึงว่ารูปที่ปลากวดแก่สายตาก็เป็นเพียงแค่แค่แค่สิ่งที่ปลากวดแก่สายตา <S 2> <S 2> เอางี้ดีกว่าเวลาเราเห็นเนี่ยดวงตาเราก็สามารถมองเห็นได้ก็มีรูปไม่เห็นถ้าเราหลับตาไปเสียรูป ก, ก็ดับไปก็ก็จะไม่มีหรือยังมีอยู่ ความมีรูปเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยสองประการอ้าหนึ่งรูปหนึ่งใช่ไหมแล้วไรอีกอะวิญญาณถ้าท่าพูดถึงวิญญาก็คือรับรู้ก็เป็นกระบวนการผัสาะอีใ่ไหในการแต่เมื่อท่านพยายาเนี่ยท่านผ่านพบผ่านท่านผ่านกรรมเป็นมามากแต่สิ่งที่ท่านยังไม่รู้ก็คือเห็นรูปหรือความเป็นรูปพระยากรีบอกว่า เมื่อเธอเห็นเธอก็จงสักแต่ว่าเห็นนะอย่าเห็นรูปเกินไปกว่านี้อย่าเห็นรูปเกินกว่าความเป็นรูปไม่จัดเป็นไม่ว่าจะเป็นรูปหญิงหรือรูปชายก็คือรูปรูปสัตว์ลูปสิ่งของก็คือรูปสักแต่ว่าการเห็นอย่างนั้นว่าเป็นรูปเมื่อเธอเห็นรูปสักแต่ว่ารูปอย่างนั้นแล้วตัณหาที่เคยเกิดเนี่ยมันไม่สื่อต่อตัวของมันตัณหาในรูปก็ไม่สื่อต่อพระพาหิยะตอนนั้นท่านต้องการ ไปสเสวนาอาหารในเมืองแต่เจอผู้รู้จักเหรอใจำไหมตั้งใจไปเลยในเนื้อหาเลยนะของเรื่องต้องต้องต้ อ, อหาท่านอาจารย์สุพีแล้ว่าทำไมไม่ไปในเนื้อง น, นำเรื่องของท่านพระยะมาวิเคราะห์สักเทไหร่หรือว่าจะมีคอเรื่องท่านภาษาญิ่ปุ่น แในคำนองเดียวกันน่าจะรวมสู่สู่หลักการของการรู้ตัวการเปลีการดับอยา่างมันม่ดีอย่างนี้แม้แต่ถ้าอยาู่เราตรผกเองก<ม>็มาที่ขยัยบผ้าคุณเจ้าบอกว่าเธอขยำผ้าในนี้แล้วก็มองที่กิ่งไม้นั้ผ้าที่ขึ้นถึงกิ่งตัวนี้แล้วแล้วเธอค่อยหนันมาดูผ้าที่เธอขยัำนี้พร้อมกับท่องในใจว่าผ้าเช็สิ่งสุปกโกผ้าเช็สิ่งสุปกโกขยัำไปเรื่อยแล้วก็มอ ง, อ, งกองกิ่งไม้ที่ พาอาทิตย์จะขึ้นไปถึงจงบริเวณตรงกินนะขยำไปก็มองไปขยบไปก็มองไปขยบไปก็มองไปพอพาอาทิตย์ถึงปุ๊บครูยาบอกให้ห่านมามองผ้าเลยหันมามองผ้ า, าที่เคยสะอาดสะอ้านมา แ, แต่เดิมพอถูขยำแล้เกิดความซองอ ก, ก็เลยนึกถึงคาที่ตเองบอกว่าผาเช็ดสิ่งสปกปรกเอ๊เริ่เอใจขึ้นาผ้าเช็ดสิ่งสป ก, ง ก, กสปรกเร อ, เอก๊นี่ร่างกายเราสกปรกแล้วอย่างเงี้ย เส้นผมและ่งสกปรกขนเรื่องสกปรกเล็บเป็นของสกปรกฟันเป็นของสกปรกเนื้อเป็นของสกปรกน้ำเป็นของสกปรกเอ็นกระดูกเกี่ยวในกระดูกม้ามหัวใจตับอวัยวะไไปเลยทีนี้เป็นของสกปรกทั้งนั้นผเจ้าทรงเร็นเห็นแล้วว่าจิตเริ่มถูกถูกปรับไปด้วยความสมบรด้านอสุภะความรันแต่หาถ้าแต่ากเรื่สกปรกเนี่ย ยังติดอยู่ในกรรมฐานข้อนี้จะไม่ถึงการสิ้นาเพราะจะติดได้แค่รูปประชนสเท่านั้นเองกิลสู่รูปประชนสเพราะพี่ายเดร่างกายเป็นของโสโครกพอลงสูงรูปประชนสีไปไม่เป็นแล้วผู้จ่อกปลากฏเป็นพืชทันิบิขึ้นว่าดูลำพันธกายถึงแม้ว่าจะเป็นของโสโครกก็จริงอยู่แต่นั่นไม่ได้ชื่อว่าเป็นของโกจริง ราคาโทสะโมหะในจิตตังหากได้ชื่อว่าเป็นของสุตโตปกเอจงพิจารณาในจิตอันประกอบด้วยราคาโทสะโมหนะอยูคาญผมก็เลยออกจาชานชาสีแล้วก็พิจรณาจิตเรืเ่องปกติจิตนั่นแหละพารว่าจิตเกิดราคาโทสะโมหะในจิตหรือเปล่าท่ า, ากนกะบเรัวพิาณาในจิตของตัวท่านเองก็ทำลายอาสวะในขณนะนั้นเพราะนั้นกรมฐานเป็นพีแค่ บ, บาดฐาน ที่ทำให้เราได้มีมีฐานรองรับในจิตถ้าจะก้าวเข้าไปสู่การทําลายอาสวะ้าคือต้องเข้าไปมีนาทิลอาโ์ที่เกิดในจิตสําคัญที่สุดคืออารมณ์ที่เกิดในจิตที่เราเห็นเห็นเกิดมันเกิดเห็นกับดักเนี่ยสำคัญคพพรับเพราะพระุทธเจ้ากำหนดไว้ไตายตัวแล้วว่าปัญญาในอีตความเกิดความดับคือปัญญาอันจำแนกอีกมันจะต้องไปทําอำในอื่นไม่ได้ต้องเห็นการเกิดการดับเนี่ยนี่คือทัศนะของอาตมาเป็นอย่างนี้ ้วตามาก็เข้าใจอย่างนี้โดยตลอดแล้วก็พยายามสอนทูกสิษยอย่างนี้ตลอดใ ห, ให้ได้เข้าใจพอถ้าสอนอตาตมาเป็นคนขี้เกียจผู้ใดขี้เกียจสอนก็เลยพยายามจะสอนให้เข้าใจในพอที่จะประครับประคองสติตัวเองให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจคนบางคนเนี่ยสอนยังไงมั น, มนก็มันก็ไม่รู้หรอกสอนไปนั่งมาหับสอนนั่งมาอธิบายนัานมน อ่าสุดสตัดปะคืออารม า, มามไม่ไม่ขย <c build over rauen> ันแบบอาจารย์สุพีอาจารย์สุีเนี่ยโอ้โหอุตสาหะมากเลยอุตสาหะตั้งใจสอนตั้งใจบอกตั้งต่อธิบายพวกเราวกเห็นความอุตสาหะท่านอาจารยังยังไม่ยังแพ้เลยประมาณในที่เกียรสอนไปแล้วแบกลับไปเข้าใจแล้วกลับงเงี้ยรวมกับูดกับพวกเรารเข้าใจยังเข้าใจแล้วมันจบแพ้เลยตอนก็จะสอนอย่าง ยิ่งสอนแม่ตะมาอีกสอนอยากกว่าจะเข้าใจกว่าแม่จะยอมลงแม่นี่ไปคุยกับคนอื่น่ะที่มาฟังเทศตอตะมาว่าจะไปเชื่อภาคท่านตรงนี้มากลูกฉันเองฉันเลี้ยงมาเพราะตะมาสอนที่เหมือนชาวบ้านเลาอะสอนผิดแต่แย่เนี่ยมือนชาวบ้านเขาสุดท้ายยอมลงตะมาหมดเลย ภาคหลังก็ชวนญาติพี่น้องอกมาศึกษาธรรมะก็เด้ไปเยียเด่ดี๋ยวเดียวเพื่นขอลมณนานนะ่าน่าไปยังไงต่อไปจะทำยัมคะน้ดาถามมาเยอะแล้วไหวยังไงเพราะเวลาเวลาเวลาภาวนาน่ตอนที่มันดูความเกิดความหาับความเกิดความหลับจริงจมันมันมันมีอาการเหมือนเหมือนจำบ้านะอ่ครับ พี่อาจารย์เคยเคยเปวดหูกันาไม่เยสนใใครใครถึงจุดนี้แล้วปะยครับคืนหูกันาคุยกันหลายคนที่พายใจก็เคยเล่าเลยว่าตอนทอนมันเหมือนจะบ้ามันเป็นอย่างนี้นะเวลาเราดูเข้าไปในจิตมากๆเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆมากเรื่อยๆมากเรื่อยๆและเราไม่เข้าใจว่าทำไมมันมากขึ้นเรื่อย ถ้าเราไม่ดูในจิตจริง ๆ, ๆ, ๆเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่สะสมในจิตนั้นมันมีมากมายแต่มไปหมดเลยนี่เราคือเป็นปัญหาของคนที่พยายามจะไปทําความสงบเพื่อไม่อยากจะเจอเอารมณ์ในจิตภายในซึ่งมันสะสมมาเป็นรู้กี่ของกี่ชาติแม้ในชาตินี้ก็ตั้งมากมายบางทีไปกำหนดรูปสัญญาขันเกิดดับไปเห็นแม่กระตั้งสัญญาขันของตัวเองตั้งแต่แม้จะลืมไปแล้วห่ะยี่สาสิบปีก็ mm hmm. เกิดขึ้นมาองี้ย อีกอย่างหนึ่งคือตอนเด็กๆสิ่งที่ตัวเองเคยทําสิ่งที่มันน่าละอายสิ่งที่มัน <S <S น่าเสียใจหน้าตำหนิก็เป็นตำหนิตัวเองในขณะนั้นมันมันก็เลยบางทีมันยอมรับไม่ได้กลายเป็นเรื่อว่ายอมรับความจริงที่เกิดกับจิตในจิตที่มันสะสมมาไม่ได้โดยบางคนมองกําหนดรู้สัญญครั้งเกิดดับเกิดดับเกิดดับโดยไปเห็นอดีตชาติทะลุไปจำอดีตชาติได้ตัวนี้ชาตก่อนตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สารรัก และนำเรื่องของอดีตเข้ามาโยกับปัจจุบันโดยเองหลงไปอีกมันเลยเกิดที่เกิดปัญหาในในอารมณ์แต่มาจริงมากแต่สอนทุศีม่าหากเราตั้งสติดูอารมณ์ที่เกิดดับในจิตแล้วแล้วจับลมสู่ขันว่ามันคือขันไหนรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสำคัญขันลึกลี้ญญขันเพราะมจะเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างที่อธิบายก็บ่าเนี่ยเมื่อจับดูแล้วก็ทักขันนั้นตกๆกว่านี่คือสัญญาขัน เกิดขึ้นนี่คือสัญญาขันดับไปและสิ่งที่อาศัยสัญญาขันเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร่วงไปแล้วละไปแล้วดับไปแล้วสิ่งที่ร่วงไปละไปดับไปเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงแล้วทําไมไม่มีอยู่จริงทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ก็มันเป็นสัญญาขันจำไว้และพอเราไม่รู้มันในคราวครั้งนั้นเองมันจึงสะสมไว้เพื่อเกิดกับสัญญาที่เป็นตัวปัจจุบันสัญญาที่เป็นตัวปัจจุบันแต่อารมณ์เป็นอดีตแล้วเราไม่เคยเประตูรู้มันนั้นแต่ตอนในเด็กมันก็เลยเก็บสะสมและเป็นเรื่องเรายกขึ้นมา พอเรามาเรกนเหนดรู้ปั๊บเนี่ยเรื่องเราเนี่ยจะฟุ้งขึ้นมาฟุ่งขึ้นมาฟุ่งขึ้นมาแล้วพอเราไม่เข้าใจเราก็จะไปทําความสงบหรือหลีกหนีหรือไ ม, ม, ม, ม, ม่อยากจะเจอความอารมณ์ที่มันเกิดในจิตอนะครับมันก็เท่ากับว่าไม่ยอมรับความจริงที่เกิดกับชีวิตของตัวเองไ ม, อมมเนนไม่ยอมรับสัจจ์ที่มันเป็นอยในจิตไม่ยอมรับสิ่งที่มันเป็นอยู่บางที่ไปเห็นนิสัยเสียของตัวเองนี่นะมองลงไปแล้วโอ้โหเลวขนาดนี้เลยหรืออะไรไม่รูก็มีนะผมกนมีอันไม่ยอมรับตัวเองไปได้ก็ พอเป็นอย่างนี้ขึ้นก็เกิดความเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านและเครียดแล้วก็ควบคุมความคิดอย่างนี้ไม่ได้พยายามแตกกดพยายามจะปิดพยายามจะไม่ให้มันเกิดตามมาทีงบอกว่าจิตของเราเหมือนกับสมมติว่าจิตเหมือนกับแก้วใบนี้อารมณ์ต่างๆที่เราเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กหรืออดีตชาตนะิเหมือนกับพวกเราอาสสตอที่ถมายที่อยู่ในแก้วเนี่ยมันมันฝังแน่นมันเก็บถูกเก็บไม่อยู่เวลาเราเห็นอสสพอที่เรื่องราวเรืออารมณ์เหล่านี้ แม้แต่ไม่มีอารมณ์ใครนอกกระทบก็ตามอยู่เฉยๆที่มาลามมันก็ผุดเกิดขึ้นมาเองอย่างเงี้ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ผุดเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครองำใครมาทุกมันก็มีมันตัวโตไปขุดคุยเรื่องต่างๆขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ยอกำหนรู้เป็นลักษณะของสัญญาขัดไม่รู้ก็เหนดรู้ว่าเป็นขันเข้าไปเข้าใจเอาเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของขัดมองเมื่อเข้าใจว่าเป็นเรื่องของขันก็เลยหลงยึด ในอารมณ์หล่านั้นน่ะในสิ่งเียวกันเป็นกลับไปทุ่งกับเรื่องเหล่านั้นอีกแล้วไม่ทําปิดมันไว้คือเมื่อกับอสราพิษพวกนี้ไตออกมาแล้วเราปิดมันไว้ไม่มันออกไปทำสมาธิกับอาหานปิดไว้เข้าชานเข้าอะไรได้สบายใจปิดมันได้แล้วสบายใจแต่อสราพิษอยู่ข้างในเต็มไปหมดต่อมาเลยบอกว่าไม่ต้องไปทําการปิดอะไรตรอกเปิดออกมาตัวไหนไตออกมาดูมันว่ามันไตาออก มันเป็นลักษณะของการถ่ายเทอารมณ์ออกจากจิตแต่ถ่ายเทผ่านความคิดผ่านสัญญาผ่านขันพวกนี้เมื่อมันออกไตออกหมดแล้วเราจะเห็นความว่างในจิตแต่เนื่องจากว่าเราไม่ยอมให้มันออกมาเราปิดมันไว้เก็บมันไว้ในจิตนี่เองที่หลวงปูมันบอกว่าสมาธิทั้งแห้งที่เราทําได้นะคือกิเลสทั้งแห้งทัง้งขาด พ่อไม่ยอมเปิดตัวนี้ออกมาไม่เจอระดับปรัสนามไม่เห็นมันเกิดคือมันปล่อยมันออกมาได้เห็นมันดับปล่อยพ่อมั่นใจว่าพจน์จกิดแล้วก็คือดับไปหายไปพจน์ออกจะกินแล้วก็ปล่อยไปดับไปพอมันออกมาหมดมันก็จะเหลือแต่ความว่าเราก็จะมีปัญญาตัดสินและทำความเข้าใจในอารมณ์ที่วกไปแล้วรักไปแล้วดับไปแล้ตามควิมจริงว่าสิ่งเหล่นี้เป็นเพียงแค่สัญญาค่ะอันนี้ธรรมาไม่ได้ห้ามไปกับทำสมาธินะแต่ถ้าสมาธิที่เป็นสมาสมาธินั้นไม่ผิด สมาธิสมาสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสมาธิผิดถ้าไม่มีสมาธิผิดสมาธิที่ทำทั้งหมดไม่ใช่สมาธิเมื่อไม่ใช่สมาธิจึงไม่เกิดสมาธิบุญไม่เกิดสมาธยานะไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเราก็จะพยายามทำการปิดจิตตัวเองไม่ให้รับรู้อารมณ์ที่เกิดกับจิตภายในตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ยอมรับความจริงในตัวเองอย่างนี้เมื่อไม่ยอมรับเราก็สะสมเป็นอาสวะหมักดอง ขอให้เกิดพวกใหม่ทำไมทุกบอก เ, เปิดให้เราออกให้หมดเปิดเราให้มใหมแต่มีสติกำหนดรู้อันนี้มันจะไม่บ้างแม้จะใกล้เคียงไปทางๆว่าคุณจะฟุง้งฟุ้งก็ตามแต่ต้องเข้าใจว่าความฟุงเนี่ยมันไม่ใช่กิเลสแต่เป็นทุกขสัจธรรมเป็นสัจธรข้อหนึ่งเป็นความจีในจิตตานุปัสสนาที่บอกว่าฟุ้งก็ให้รู้ว่าฟุ้งทำอะไรกับมันได้ไหมละ่ะถ้าทำเกินกว่านี้ได้ไหมละ่ะ ทำไม่ได้อีพ่อเป็นนามมาทำนามมาทำเราทำเพียงแค่ได้แค่ว่ามันรู้ว่ามันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดเพราะมันดับก็รู้ว่ามันดับทาได้แค่นี้พ่อมเป็นนามมรทำแต่รูปประธรรมเนี่ยสมมุติเป็นรูปเนี่เรื่องนี้อันนี้ไม่ดีเร า, าบอกผัดออกได้ใช่มละ่ะมันเป็นรูปแต่นามเราทําอะไรไม่ได้เลยรูปเพียงแค่มันเกิดระดับเกิดระดั บ, ดบแม้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถยอมรับมาได้เราก็ต้องยอมอย่างเงี้ยพ่อมนั้นคือนามแล้วพอมัน ถ่ายเที่ออกมาหมดแล้วมันก็จะไม่มีนะเราไม่เข้าใจว่าการลักษณะที่เรื่องราต่างๆที่มันเก็บสะสมไว้เรื่องโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นแต่ละเรื่องแต่ะเรื่องเป็นลักษณะของการถ่ายเท่ารู้ก็คือเรื่องที่เรารับมาทั้งหมดในชีวิตของเราที่เราเคยกระทมาเราต้องยอมดับว่ามักระดับมันกระดับไปแล้วกระดับไปแล้วอ่าต้องไปเตือนตัวเองว่าดับไปแล้วดับไปแล้ว ใช่ต้องบอกว่านี่คือสัญญาขันสัญญาขันคืออารมณที่เกิดขึ้นกับสัญญาขันทุ<ม>กๆเรื่นั้ไม่ใช่ความคิดเป็นเพียงแค่ความจำมบอกตัวเองเอย่างนี้เป็นสิ่งที่สัญญาขันจำไหมท่านน่ะดก็ตอบเมื่อวานป่าได้ก็คือสิ่งนี้คือสิ่งที่ปรากฏแล้วแต่เขาว่าคือใช้คำา่าตัวทู้ทู้นะที่เจนะฮะณวันที่คือยอมรับอย่าง กิเลสใตัวเนี่ยเห็นชัดมากทุกเรื่องจะหมดใช่มันจะโผลขึ้นมาเรื่อยๆจนบางทีต้องดีจิตตัวเองว่าไอ้จิตเรามทำไมมันสกปรกอย่างนี้เพราะมมีแต่เรื่องเราที่หมักหมงที่ึมีดีเห็นเห็นมาหมดเลยเกิดขึ้นนั่นคือจิตเริ่มสะอาดแล้วแก้วเราเนี่ยถ้ามันแก้วข้ขาวอย่างเงี้ยถ้าเราล้างสะอาดแล้วเนี่ยฝุ่นมาต่อที่หนึงก็เห็นเห็นชัดเห็นชัดแล้วรู้สึกไม่ชอบใช่ไหล่ะไม่ได้ อ่ไม่ได้แต่ถ้าแก้มีสกปรกดำเปื้อนอย่างเงี้ยฝุ่นมากเกาะไ ม, ไ, ไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่รู้เลยไม่มีกีเดตก็หมาวรวมกันไปเลย ท, ทั้งเคีทั้งมีกระทบแล้วที่ทีขึ้นมาเองมีทั้งสองเรื่อง น, น ะ, ะสั่งกระทบเข้ามาอันนั้นก็สว่วนอย่างนั้นเองภายนอกแล้วภายในายภายในยก็จะเกิดเองเมื่อต่างกันเองนะแต่ว่าเออวัดนัอ้อธิบายตรงนี้ได้เต็มนะครับ ข, า ข, าขานาะดการปรุงแต่งจะมีสองลักษณะาการปรุงแต่จากภายนอกคือลงภายนอกเข้ามาปรุงแต่อันเนี้ยเราไม่ต้องแก้กับการปรุงแต่งในภายในคือเราปรุงแต่งอารมณ์เองอันเนี้ยมักจะนําไปสู่ สิ่งที่ออกนอกไปจากฐานความจริงัวเนี้ยให้ให้ให้ให้ระวัง ขอตัวนี้เบาลงไปสำหรับเป็นแค่ผู้เห็นจรกงๆแต่รับนะคือเห็นแล้วม่ได้ไปแต่งต้องอะไรไม่ได้แก้ไขไม่ได้ไปอี่มบันเทิแต่ว่าพี่เห็นกระบนการเดเนของมันแค่หลังารงานนี้ผมผมใช้ใช้อุบายในการในการที่จะดูไปตลอดรูปนนี่คือสิ่งนั้นดีนี่ต้องจับลงขันจับรงขันไม่ได้เพราะถ้าเราไม่จัโรงขัน สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีชื่อเรียกไม่แค่อารมณ์นี่นะการกาหนดนของเรามั น, นจะกาหนดไปโดยที่ไม่ไปกระเทือนตัวความรู้รที่จะไปคำเรียกว่าความรู้ที่จะมาเป็นตัวประสานกับตัวที่รู้มันจะมีอยู่อาตมาใช้คำว่านะ <c oughs> ความรู้ที่เกิดจากวิชา ค, คือการเรียนรู้โดยการใช้ขานเข้าไปต้รู้ครับนะคือ รู้โดยฐานของขันว่าอารมณ์เ่าเนี่ยเป็นขันนี้ขันนี้ขันนี้ขันนี้อันนี้เราเรียกรว่าวิชากับการที่ใช้ว่าผู้รู้นี่นะกับผู้รู้ที่เข้าไปรู้เนี่ยครับผู้รู้ที่เข้าไปรู้เนี่ยมันคือตัวสติครัับมนือตัวเราริ่ดรู้สติวิชาคือการเรียนรู้เรื่องของขันสติคือการเข้าไปรู้อารมณ์ของขันที่เกิดและที่ดับ แล้วก็ปัญญาก็คือตัวรู้ในการตัดสินญาณคือการรู้ตามความเป็นจริงรู้แต่และรูม้มันมีขอบเขตและหน้าที่ต่างกันพุทธะคือรู้ในอริยสัจเพราะฉะนั้นเราต้องประมวลความรู้ทั้งหมดที่พูดถึงทั้งวิญาณ ท, ทั้งสติแล้วลึกรู้ทั้งปัญญาแล้วก็พุทธะคือรู้ตามอริยสัจเอามารวมกันหมดเอาความรู้ทั้งหมดมารวมกันในการอธิบายหนึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนีน้ถ้าเราไม่อธิบายอย่างงี้ มันจะไม่เกิดการทําลายมันได้ความสงบไปเรื่อย เ, เรียกว่ามีสมาธิเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดสติสัายชัญงยัง้อารมณ์จะไม่บิบคัน้นจิตมากเพืจะเกิดการสงบและกระปรางอารมณ์ไปแต่จะไม่ทำ ก, ก่อให้ทําลายอาสวะถ้าเป็นกระเภนี้เขาเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิแบบดูจิตประเนี้ดูจิตถ้าเราไม่เอาอายะสัจอธิบายหรือว่าไม่จับลงในระบบของขัน ทังวิชาทั้งปัญญาทั้งญานทั้งอเนยสัรเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลเพียงพอต่อจิตที่จิตมันจะได้จอบรับตามความเป็นจริงที่เป็นจริงแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยที่เห็นก็คือเนการเกิดดับค่อนข้างที่จะชัดเจแต่ว่ามันมันเกิดดับแต่มันมันไปไหนต่อมันเป็นไงก็นะครับคือมันคืออยู่ในชั้นของการได้สติสัปปะญฌาแต่เกินมันนั้นไม่ได้ดินบอกว่าเพิ่มไปอีกนิดนึง เพิ่มไปเข้าไปเนี่ยใช่จัดลงขันแล้วก็<ม>ที่นาที่อริยสัจเอาอาริยสัจเข้าไปอธิบายกับกระบวนการที่เกิดนะครับอาจารย์บอกว่าลงขันนัเพื่อให้ขนะันเห็นการแยกออกจากกันที่เราบอกว่านี้คือขันนี่คือขันเกิดนี่คือขันดับเพือ่อให้เกิดหยาเพื่อให้เกิดปัญญารู้ว่ามันไม่ได้รวมกันขันเราแล้นไม่ได้รวมกันเป้าหมายที่นั้นใช่ เห็นว่าซิงใซิงหนึ่งเกโดยที่ไม่ก็คือไม่ใชพื้นที่ของมันพิจารณาดูใช่ถ้าเเพื่อสอนให้เห็นว่ามันไม่ได้หลมกันจริงขนไม่หลมกันใช่ใจมันว่าเพราะตัวเราเนี่ยใ้ความที่เราหลงเนี่ยเราไปรวบทั้งระบบให้อยู่ด้วยกันทั้งหมดคือแยกไม่ออกเลยใชว่าอะไรคืออะไรถ้รวบหมดปุ๊บมันก็เป็นอันเดียวกันเลยแล้วเป็นปอนไปแล้วเป็นคนเราเปนไม่ได้เพาเราจมอยู่ในนั้น่แต่การที่อาจารย์บอกว่า เทียเราใช้ขันเป็นเป็นฐานในการชี้หรือทักเข้าไปเนี่เพื่อให้เห็นว่ารูนนตนะที่มันเกิดมันมีฐานของการเกิดกระจายแล้วมันกระจายตัวมันกระจายออกหมายว่าไม่ใช religion, online, antis, <mail>. ่ไม่ใช่เกิดทุกที่ด้วยไม่ใช่เกิดทุกที่เหมือนเหมือนเหมือนรู้ว่าเกิดจากที่ใดมันเกิดจากที่จิตเกิดจามญามันเกิดจากสอนเราเราเคยชะเอกใจขึ้นมาหรือรู้ขึ้นมาว่าจริงๆมันไม่ได้มันไม่โดนเราอย่างนั้นเลยอ่าใช่ มันจะปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคเป็นตัวเป็นตัวมันเป็นขันเป็นขันเป็นขันเาอกวันนี้คือขันนี้คือขันนี้คขันดับมันเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามันเลยทำลายความเป็นตัวเราไปเลยอัตโนมัตินั่นคือตรงนั้นตันยากับสังขารนันี่มันก็มาติดติกันเลยจะเป็นสังขารก็างทีกว่ารจะรู้ตัวเรนต้องเป็นสัค้าให้นานแล้วอะรต่้วแต่ก็ยังรู้ตัวอ่าพอรู้ตัวเราก็ต้องสัญญาสังขาร พอรู้ตัวในภายหลังช่วงช่วงเวลาของการรับกระโดมแล้วปั๊บเนี่ยสัญญาสังหารภูมแตกทำงานไปเรียบร้อยเสร็จสับก่อให้เกิดภูเขาร้อยแล้วสวยพวกกับมันแล้วแล้วพอมันจบกระบวนการแห่งความทุกข์สบายได้ขึ้นมากับย้อนกลับไปยังไม่รู้สึกตัวตอนนั้นกว่าจะลงขันได้กว่าจะจับลงขันแล้วอันนี้ต้องหยุดอีกครั้งโอ้ใช่ ข <peach> ออาเทียยิ่งดีแต่ว่าเมื่พบปึ๊งเราตั้งคําถามว่ามันนี้คือขันไหนการหยุดตั้งคําถามนั่นคือเรื่องมีสตินะแม้จะเป็นสติอ่อนๆยับยั้อารมณ์ยังไม่ได้ก็ตามแต่เริ่มสร้างสติขึ้นมาตัาง้งคําถามกับอารมณ์ที่เกิดแล้วมันคือขันไหนตอนนั้นเราต้องจะรู้ตัวเองแล้วว่าเราหัวแล้วถ้าไม่รู้ขันไหนเป็นขันไหนแล้วเนี่อันนั้นมันจะได้กลับับไปศึกษาเรื่องขันที่ทัด ต้อเข้าไปหาอาจารย์สุธีตายอะไรจะขัดไหนก็เอาให้มันแก่แฉงเลยแต่การสังขารมันก็มาด้วยกันแหละใช่ไหมครัใช่มัอาศัยเปนเกิดเพราะการสังขารจะไม่สามารถปรุงแต่งได้หากไม่มีสัญญาณพรเรื่องที่ปรุงแต่งต้งหมดต้องอาศัยสัญญาณเป็นพื้นฐานเรือข้อมูลเพื่อปรุงถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยคือสัญญาขัน <reproduce. S 1> มันก็ไม่ครุงหน่อยเพราะมันว่านี่คือสัญญานี่คือเรื่องราวที่จํานี่คือสิ่งที่จํานี่คือความจําสิ่งที่เรื่องที่จําสิ่งที่เป็นความจําหรือความจําทั้งหมดมันไม่ใช่ความจริงเอาหยุดอยู่ตรงนี้ปั๊บรู้ว่านี่คือสัญญาขันเกิดขึ้นนี่คือสัญญาขันตั้งอยู่นี่คือสัญญาขันดับมันจะตัดการปุงไปเองอัตโนมัติมันจะปุงอยู่เพ <folded. S 2> ียงแค่การรู้อยู่ว่านี่คือสัญญาขันเกิดนี่คือสัญญาขัน นี่คือสัญญาขันตัเป็นการปรุงแต่ปรุงโดยรู้เพื่อหยุดการสื่อต่อของกระบวนการในเวลานะตั้งแต่เข้าไปเห็นที่นี่นั่นหมายถึงว่าในอารมณ์หอารมณ์จัแค่ขันเดียวก็ะที่นี่มันเกิดขึ้นในวันมีร้อง้าอยู่แล้วใ่อารมณ์ที่เดนนั้นขันอะไรอ่เนกถอารมณ์ที่เด่นนั้นคืออะไรใช่มันเด่นอารมณ์ไหนถ้าอย่างนั้นมันจะนความร้องห้าขันจริงจริงอ๋อเข้าใจนล้เข้าใจยังเข้า ทำทีมม sociedad, ่เด็ดที่ชับที่สุดทำที่บีบคลาดมากที่สุดเลยแต่แม่หล่อจำเลยที่เขาแนะนำให้ทำเพิ่มเติมอธิบายคือในความว่า <schneller. c oughs> ทัคันจเหมือนอย่างว่าถ้าไม่เห็นก็จะไม่รู้จอะไรก็จะนึกเอาอย่างเดียวบวนการเข้าไปต่อไม่ได้ันก็คือต้องเห็นสก่อนเห็นในเห็นในจิะเห็นในปัจมใ่ลวงพแนะนํารื่นี้ะรครับาจารอ้เพระพเจ้าใช้คาว่ายากาัศนะคือทั้งรู้ทั้งเห็นคาว่ายามีข้อข้อหน้าที่ของมันที่เป็นตัวเฉพาะของมันว่ายาเนี่ยรู้ตามความเนจริงเท่านั้นงชื <David. S 2> ่อว่ายา เห็นตามความเป็นจริงคือทัศนะในองค์หมายาพยร์ทัศน์ทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยต้องรู้ตามความจริงและเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการเห็นการเกิดขึ้นตามความเป็นจริงของอารมณ์แต่ละอารมณ์นั่นก็เห็นการกลับไปตามความจริงของอาแต่อารมณ์แล้วอริยสัจที่เกิดจากกิจยานสัญญานกตยานเพยรยานพวกเนี้ยมันจะเมื่อเราตำรวรู้อย่างบ่อยครั้งเรื่อยๆแล้วมันจะรวมกันเป็นองยานตัวเดียวเลย มีกิจมากนะยากจะทาําหน้าที่กำหนดเองกำหนเองกำหนเองถ้าเกิดยาขึ้นมาเต็มตัวของมันก็ไหลไปทาหน้าที่ของมันตัวนมันรู้ตามความจริงของมันเองกับตัวนมมันเราไม่ต้องมีกิจอะไรมากเร่แก้เป็นผู้รู้โดยมีสติรู้เท่านั้นที่เกิดจะเป็นน้องเนี้ยนะทีาอะไรทำอะไรอะไเวลามันรวมเลยไปลยแล้ว ตืสายได้นสดตสายได้มดบีมัีอยู่กนเดียวน้าก่อนันก็ได้กันก็ก็คิดว่าช่วงเวลาในการอธิบายทําแล้วก็สุนทรากันก็ไมาถึงเวลาที่พอสมควรแต่เวลาในโอกาสนี้พหน้า กุศลที่เกิดจากการอธิบายธรรมมากออกมาตามาบนกุศลที่เกิดจากการรับฟังรรทรอธิศนาการอธิบายธรรมขอคุณทั้งสองประการนี้จงเป็นมาหันตะเดชานุภาเกิดเป็นผลคุนญนุนนําจิตใจของพวกเราเทุกคนให้เกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรมรูแ้แจ้งแทงตลอดในธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, นพ้นทุกระถึงสรู้กระแสพระนิพพาน ปิดาบายภูมิให้ได้อย่างเทาบอทุกท่านเธอ